นะทบทวนให้ดีๆน ะ, ะย้อนกลับมาว่าที่พูดเนี่ยเน้นเน้นอธิบายตรงที่ว่าทํายังไงจะให้กุศลจิตเกิดได้บ่อยเกิดได้มากเพราะบุญกิริยาวัตถุมีทั้งสิบอย่างเลยนะงวงก็ท่องมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ละอย่างมันจะทําอะไรได้สิบ้างเลยนะแล้วก็หรือไม่ก็เอามงคลสามสิบแปดมาท่องไวเลยวันนี้จะเจริญมงคลได้กี่ข้อเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังหน่อยนะบอกโอ้ยท่องไม่ได้หรอกบอกโอ้ยทําไมได้ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะ ของมาก็ไม่มีคําจะพูดแล้วเพราะงั้นพูดมาเยอะแล้วเพราะงั้นหลายท่านเนี่ยว่าไว้แล้วว่าจะให้ท่องไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ทวมกันเนี่ยท่องก็ได้นะทอ่ะทองที่ที่จะไปยังท่องไม่ได้เลยไม่ต้องพูดว่าจะไปได้ไปถูกเพรานงั้ น, น <S <S ทีนี้ต่อไปนะอะละวิจิกิจฉาด้วยสา ม, มารถแห่งการกําหนดธรรมทําไมตรงเนี้ยท่านบอกว่าให้ละวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมที่อธิบายอย่างเนี่ยเนื่องจากว่า คนเนี่ยพอจเจริญกุศลไประดับหนึ่งมันสงสัยแล้วมันชักไม่แน่ใจแล้วจริงๆก็เหมือนกับอะไรนะแม้กยะาว่าโยามเลยท่าบวชเข้ามาก็เหมือนกันนั่นแหละพอทำทำไปทํามาปั๊บชักสงสัยลเลยชักไม่ค่อยแน่ใจมันจริงหรือบุญมันมีจริงหรือบาปมันมีจริงหรือพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไอ้ที่เราทําเนี่ยมันถูกอยู่หรือเป็นต้นเนี่ยเริ่มอสงสัยก็คือแปลว่าระแวงความระแวงก็เกิดขึ้นในใจระแวงแล้วระแวงเล่าระแวงนูง่นระแวงนี่ชักระแวงแล้ว แล้วยิ่งคนที่ทําบุญแบบอ่บางทีเนี่ยนะไม่มีปัญญาประกอบมาตั้งกับต้นแล้วยิ่งทํายิ่งระแวงเข้าพอระแวงเข้าไปไหนคะเนี่ยเมื่อระแวงแล้วคิดว่าจะทําต่อไปไหมอย่างสมมตินะออย่างโอ้ยหนังสือนี่พิมพ์ผิดหมดเลยระแวงว่านี่ผิดหมดถ้าอย่างนี้เราจะอ่านหนังสือเล่มนั้นต่อไปไหมถ้าจะยากอย่างคนที่ระแวงพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็ไม่อ่านพระไตรปิฎกอยู่แล้วไม่ถูกหอกพิมพ์ผิดอย่างนั้นอย่างงี้นะอธิบายซะเสียเลยก็เลยไม่ยอมอ่าน ท่านกลุ่มระแวงไม่กระระแวงกุศลก็เหมือนกันเชื่อได้เลยว่าเขาจะไม่เจริญกุศลเขาจะเจริญแต่อกุศลเท่านั้นฟันท่านบอกว่าถ้าจะให้ละความระแวงเนี่ยนะระแวงหรือเรียกว่าวิจิกิจชาเนี่ยด้วยการกําหนดธรรมให้ดีคือต้องคาว่ากําหนดธรรมในทีนี้ก็คือกําหนดว่าอะไรคือกุศลธรรมอะไรคืออกุศลธรรมเนี่ยนะความตอกย้ําอย่างแม่นยําตรงนี้ต้องแม่นยํามากเลย กุศลคืออกุศลกุศลคืออะไรมันให้ผลเป็นอย่างไรมันดีอย่างไรอนผลกําไรของกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรผลกําไรแห่งอกุศลคืออะไรอะไรคือสิ่งที่มีโทษอะไรคือสิ่งที่ไม่มีโทษนะพวกนี้ต้องทวกทรงจําเทวทูตสูตรเป็นต้นเนี่ยนะเหตุแห่งนรกเปรตสุรกายเดรัจฉานเหตุแห่งมนุษย์เทวดาเป็นต้นเนี่ยจะต้องมาค่อยๆกำหนดไล่สิ่งเหล่านี้ให้ดีไม่งั้นเนี่ยมันเริ่มสับสนพอเริ่มสับสนเข้าพอเริ่มสงสัยเข้าใจก็ไม่เอาละ เราอะไรจากหน้าหนักใจเท่ากับใจถอดเนี่ยนะเขาบอว่าถ้าถอดใจแล้วบอกใจบอกไม่เอาแล้วพอแล้วถ้าอย่างนี้ทํายังไงได้ใช่ไหมอะไรจนโลกนี้นะคงมาว่ามันมีอะไรน่ากลัวเท่ากับใจอีกแล้วเนี่ยโดยเฉพาะใจที่ประกอบกับวิจิกิจฉาปั๊บมันบอกไม่เอาแล้วพอบอกไม่เอาแค่นั้นแหละจบเลยนะมันเลิกเจริญกุศลธรรมเลยแล้วมันเป็นเหมือนกับลิ่มสลักเป็นเหมือนกับเขาบอกว่าวิจิกิจฉาเหมือนกับทางสองแพร่งทางที่เต็มไปด้วยภัยที่หวาดระแวงดังนั้นการเดินทางก็ไม่ราบรื่นมันจะต้อง พยายามที่จะกําหนดกุศลธรรมให้ดีๆว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลเป็นต้นก็ต้องมาไล่เรื่องกรรมบดใหม่คําว่ากําหนดธรรมก็คือกําหนดกุศลกรรมบดกําหนดอกุศลกรรมบดให้ดีๆเลยว่าเช่นปานาติบาตให้ผลเป็นอย่างไรต่อไปเว้นจากปานาติบาตมีผลอย่างไรอัทินอัทินนาทานมีผลไปอย่างไรเว้นจากอัทินนาทานมีผลอย่างไรกาเมมีผลอย่างไรเว้นจากกาเมมีผลอย่างไร มูสาวาทพุสวาจาปิสุนาวาจาสัมผัสปราปะเนี่ยนะล่วงวจีทุจิริตมีผลอย่างไรถ้ารักษาวจีสุจริตดีอย่างไรถ้ามีพยาบาทมากๆเสียหายอย่างไรถ้าเจริญอัพยาบาทดีอย่างไรเนี่ยนะเรียกว่ากําหนดแยกแยะในระหว่างเป็นกุศลอกุศลให้แม่นยําระหว่างมิจฉามรรคสัมมามรรคเนี่ยนะทบทวนให้แม่นยํามากถ้าไม่แม่นยําเนี่ยนะเริ่มระแวงแล้วก็ชักไปไม่ถูกแลใช่ไหมคนที่เดินทางไปถึงทางสองสามแยกแล้วเนี่ยนะงงแล้วไปทางไหนดี ยากนะที่เสี่ยงแล้วถูกเนี่ยนะเพราะว่าถ้าถ้าพูดแบบเป็นรู ป, ปรธรรมเนี่ยนะถ้าเป็นเห็นเห็นถนนเนี่ยนะถ้าหากว่ามองถนนซ้ายกับขวาเนะี่ยห้าสิบห้าสิบถ้าเลือกถูกก็ถูกถ้าเลือกผิดก็ผิดใช่ไหย ม, มันถือว่าห้าสิบห้าสิบถ้าทางสามแยกหมายาว่าไปถึงแล้วก็เท่ากับทางสี่แยกแก็ต้องมีแยกอีกสามเส้นเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็สามสามสิบนะนะประมาณสาสิบสามเนี่ยนะสามสิบสาสาสิบสามสามครั้งเนะี่ยถูกผิดอยู่สามเท่าแล้วคูณสามเข้าไปเออหารสาม ทีนี้ถ้ามันหลายแยกเข้าไปกว่านั้นก็หารหารสี่หารห้าหารสิบหารยี่สิบตกลงแล้วไปทางไหนเขาเนี้ยงงไปหมดเลยถ้าหากว่าแยกแค่เรียกว่าจับสายเอาไว้ไม่ดีจับสายแห่งกุศลสายแห่งอกุศลสายดีสายชั่วเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมโบราณภาตั้งอัตตาสัมมาปณิทิมากขอให้ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ขออยู่นั่นแหละที่จริงอ่ะไม่ใช่เป็นการขอแบบขอทานหรอกไม่ใช่ขอทานทางวิญญาณแต่เป็นการ ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิกำหนดทิศ ท, ทางของน้อาอะนะเขาเรียกว่ากาหนดเส้นทางของใจก็เหมือนกับขีดร่องเส้นทางของน้าว่าจะให้น้าไหลไปไหนฉันใดการตั้งความปรารถนาก็คือการให้ใจของเราควรจะไหลไปไหนเช่นเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าจะคิดก็ขอให้คิดแต่ดีๆใช่ไหมถ้าจะทำก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลถ้าจะครบก็ขอให้ได้ครบแต่ กาลยาณมิตรเป็นการ ต, ตั้งตั้งตั้งตั้งอัธยาศัยไว้เลยว่าชีวิตของเราต่อไปนั้นควรจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นก็ถือว่าเลื่อนลอยทีนี้ถ้าเลื่อนลอยโดยมากเนี่ยนะคนจะได้ประสบทางแห่งความเจริญมีมากไหมมิตรฉาชี้อ่าว่าคนดีกับคนชั่วไหนมากกว่ากันแต่ทีนี้ว่าเพียงแต่ว่าคนดีมีอำนาจโลกก็ยังสงบร่มเย็นแต่ถ้าคนชั่วมีอำนาจเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนอ่ะนะนะส่วนสาคัญที่ว่าโดยปกติแล้วคนไม่ดีมากกว่า คนดีหรือหรือว่าหมายความว่าดีแบบดีมากๆนะถ้าดีปานกลางก็เยอะแหละบางอันนะดีถ้าดีแบบธรรมดาสามัญก็คนดีเยอะแหละแต่ทีนี้อที่ที่โลกยังสงบร่มเย็นเนื่องจากว่าคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมเป็นผู้นําช่วยเหลือเกื้อกูลอ่ะ ก, ก็ยังไปดีอยู่มันเราก็ต้องกําหนดทิศทางไว้ให้ดีเลยนะกําหนดทำในที่นี้ก็คือกําหนดทิศทางกําหนดดีกําหนดชั่วกําหนดเส้นทางให้เยี่ยมๆเลยจะละความ สงสัยได้ก็เริ่มเรียกว่าละความหวาดระแวงออกไปทีนี้ถามว่าวิจิกิจชาถ้ามันสงสัยสงสัยอะไรสงสัยอดีตบ้างสงสัยอนาคตบ้างสงสัยปัจจุบันบ้างสงสัยทั้งอดีตอนาคตสงสัยปฏิจจสมุปบาทข้ามไปสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยศีลสมาธิปัญญาสงสัยบุญที่ทำไปแล้วแต่ว่าบาปที่ทำไม่ค่อยสงสัย แต่ถ้าเริ่มสงสัยว่าเอถ้าบาปมันให้ผลบ้างนะถ้าอย่างนี้นะจะเจริญกุศลได้เยอะนะเอเนี่ยนะบาปที่เราทําเนี่ยมันต้องตามให้ผลแน่นอนเลยเราจะออกจากบาปเหล่านั้นได้ยังไงเป็นตอนถ้าถ้าสงสัยระแวงแบบนี้บ่อยๆน ะ, จะเจริญอย่างเดียวนี่เราทําำกุศลไว้แล้วนะเนี่ยจะต้องรีบเร่งทํากุศลให้มันเท่ากับอกุศลให้ได้เนี่ยนะแต่ถ้าถ้ามั่นใจขนาดนั้นจเจริญแล้วข้อต่อไปท่านบอกว่าละอวิชาด้วยธรรมที่สามารถแห่งยานทั้งหลาย เพราะว่ายานเนี่ยเป็นตัวที่ละอวิชาอันนอวิชาคืออะไรคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นถ้ปัญญาหรือยานคืออะไรรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้ทั้งปฏิจจสมุปบาทอวิชาไม่รู้อริยสัจยานทั้งหลายเป็นสิ่งที่รู้อริยสัจจะต้องพยายามกําหนดทิศทางอันนี้ให้ดีเพราะพระพุทธเจ้าสอนอะไรอตีตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุบปนาธรรมา แล้วจิตที่รู้อดีตรู้อนาคตปัจจุบันนี่มีอะไรบ้างอตีตารมนาธรรมานาคตารมนาธรรมาปัจจุปันนารรมนาธรรมาเนี่ยนะก็ต้องมากําหนดทั้งตัวอารมณ์ด้วยตัวจิตที่คิดอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยนะนะทางนี้เราก็ควบคุมระบบทางความคิดได้ว่าความคิดควรจะไหลไปทางไหนแล้วไหลเพิ่มคุณภาพสติปัญญาได้อย่างไรเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าปัญญานี่ก็เหมือนกับแสงสว่างจะเพิ่มปริมาณแห่งแสงสว่างได้อย่างไรเนี่ยนะ ก็ไฟสมัยใหม่ก็มีปรับไฟรี่ใช่ไหมหรี่จนสว่างนิดเดียวก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสวา่สวางขึ้นฉันใดปัญญาของเราเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยนะแบบไฟเพิ่มเพิ่มสว่างเพิ่มเพิมเพิ่ ม, มไปเรื่อยๆถ้าสว่างขึ้นเท่าใดก็ละอวิชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมขนาดนั้นอวิชาเนี่ยอวิชานี่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่พระ อ, องค์บอกว่าเครื่องตั้นอันเดียวเลยนะที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดคืออวิชา ไม่มีเครื่องกั้นใดๆจะจะรุนแรงร้ายกาดขนาดอวิชชาอีกแล้วก็อะไรมันจะเท่ากับความโง่อีกแล้วเนี่ยนะไม่มีหรอกอะไรจะเลวร้ายเท่ากับความไม่รู้อีกแล้วไม่มีแล้วความไม่รู้ถือว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดในโลกเนี่ยนะก็สมมุติว่าอย่างอย่างชีวิตของเราถ้าไม่มีความรู้เลยอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกไม่มีศิลปะอะไรสักอย่างเลยไม่มีความรู้อะไรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยจะเป็นคนที่น่าสงสารขนาดไหนผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ฉะนั้น นะผู้ที่มีอวิชชาไม่รู้แม้กระทั่งวิธีการเจริญกุศลเป็นต้นเลยจะน่าสงสารขนาดไหนแล้วก็ปัญหาว่าไอ้คนไม่รู้ก็น่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมไอ้คนไม่อยากรู้น่ากลัวกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยนะไอ้ความไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากทราบไม่ต้องการทราบแต่ถ้าไม่ต้องการทราบคําของบุคคลที่เป็นทั่วไปก็ค่อยยังชั่วหน่อยถ้าไม่ต้องการรู้เห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยก็อันนี้ก็น่าสงสารที่สุดเลยแหละพระพุทธเจ้าไม่น่าสงสารหรอกแต่คนนั้นน่าสงสาร พันก็ต้องพยายามนะว่ายานะยาณะก็แปลว่าความรู้ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยแบบระดับสูงสุดเลยยานที่รู้อดีตยานที่รู้อนาคตยานที่รู้ปัจจุบันอตีตังสยานอนากตังสยานปัจจุบันนังสยานนะยานที่รู้อดีตบริบูรณ์สมบูรณ์ก็คือปุเพนิวาสานุสติยานยานที่รู้อนาคตก็คืออนาคตตังสยานหรือยะถากรรมูปขะยาน แล้วก็บวกจุตูประปาตยานเข้าไปนั่นเองฮยานที่รู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันสัมพันธ์กันทั้งเหตุผลก็คือยานที่ในปฏิจจสมุปบาทก็คือยานที่รู้ทุกขสัตว์กับสมุทยัยสัตว์นั่นเองเนะถ้าเฉพาะยานอันนั้นยานฝ่ายความรู้ฝ่ายวัตตาถ้าความรู้ฝ่ายวิวัตตาว่าเพิกถอนสิ่งเหล่านี้ออกได้อย่างไรอันนั้นก็เป็นความรู้ฝ่ายวิวัตตะทั้งหลายนี้บางคนเนี่ยนะเออละกาเมฉันทาก็ละได้ คือเจริญกุศลมาเรื่อยเจริญเนคธรรมะเจริญอัพยาบาทเจริญอโลกัสัญญาเจริญความไม่ฟุ้งซ่านการกําหนดธรรมเจริญปัญญาเจริญไปเจริญมามันมึกเบื่อเข้ามาทําไงกันเนี่ยทําไปทํามามันก็เลยเบื่อเขาบอกเอ้าเจริญกุศลเบื่อด้วยหรอถ้าไม่เบื่อพระไม่สึกหรอก่ามั้นกันแสดงว่าเบื่อกุศลเป็นอะไรคนที่เรียนธรรมะก็เหมือนกันนั่นแหละเลิกเป็นเพราะอะไรเพราะเบื่อการเจริญกุศลแล้วแก้อย่างไงที่จะให้ไม่เบื่อการเจริญกุศลแก้อย่างไงดี อารติเนี่ยอาราติารติตแปลว่าความยินดีอารติตแปลว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลนะอ่าชักเบื่อแล้วกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโพธะผ้าดีกว่าเนี่ยนะฟังเพลงก็สบายใจดีฟังเทศก็เข้าใจก็ยากเสียงกใหม่เพราะไม่มีดนตรีประกอบต่างหาก น, นะเรียกว่าอธิบายได้ที่ไม่ฟังอนะแต่ว่ากลับไปหาฟังเสียงเพลงดีกว่าเป็นต้นทำไงดีครับนี้มันเลิกแล้วอ่ะมันไม่เอาแล้วอ่ะไม่น้อมไปเจริญกุศลแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นต้อง ท่านบอกว่าให้สร้างความปราโมทในกุศลธรรมให้ได้เน่นะต้องหาความปราบปลื้มใจให้ได้เนี่ยนะคือคือบางทีเนี่ยนะมันมันพอเจริญกุศลไประดับหนึ่งมันเริ่มเหมือนกับแห้งแล้งขึ้นในทางความคิดเนี่ยนะนี้ถามว่าทํำยังไงเมื่อไม่ให้มันแห้งแล้งให้มันปราปราโมทแต่ว่าปีติอย่างอ่อนเรียกว่าปราโมทพราะฉ น, นต้องเจริญกุศลไว้ดีพอแล้วตามระลึกนึกถึงกุศลที่ตัวเองได้ทําบ้างจะทําให้ปลื้มใจ ทานเร า, ราก็ให้นะศีนเราก right ็รักษาบุญอันนั้นเราก็เจริญพุทธคุณดูสิเราก็เข้าใจขึ้นตั้งเยอะแล้วนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนี้เลยธรรมคุณเราก็เข้าใจเพิ่มขึ้นสังฆคุณเราก็เข้าใจเพิ่มขึ้นศีนเราก็รักษามานะสมาทานก็บ่อยพระธรรมเราก็จําได้ตั้งหลายสูตรแล้วประมาณระลึกเพ่งว่าบุญกุศลคุณงามความดีพระเจดีที่นั่นก็ไปไหว้นะที่นั่นก็ไปกราบบุญที่นั่นก็ทําทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็เจริญเมตตาล้วก็เจริญบ่อยๆเป็นต้น แล้เลิกถึงคุณงามความดีบุญกุศลก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาบ้างนะเรารู้คุณพระพุทธเจ้าขึ้นตั้งเยอะแล้วนะอย่างเงี้ยนะเก็ให้กําลังใจตัวเองบ้างไม่ใช่เหยียบย่าอย่างเดียวบางคนไม่รู้เป็นยังไง น, นะเจริญการเจริญเาขออกากเเหยียบย่ำว่าถามจริงค่ะคุณศึกษาธรรมะมาตั้งนานคุณเคยให้กําลังใจตัวเองบ้างไหมบอกไม่เพราะมันเลวอะอว่างเ้ยโอ้ยกขาจะด่าตัวเองไปถึงไหนเขก็เขียนอย่างเดียวเลยนะพวกนี้มีแต่เขี้ยนใจตัวเองอย่างเดียวมีแต่ดูหมิ่นมีแต่เหยียบย่ามีแต่ แต่บางคนก็ขี้โม้เกินไปอีกนะทำในนิดเดียวมันก็เกินไปอีกนันก็มากไปก็ต้องให้พอดีพอดีหน่อยนะหาความเหมาะสมให้เจอกันแล้วกันว่าสมควรจะแค่ไหนยามไหนที่ควรปลุกปลอบและให้กําลังใจยามไหนที่ต้องข่มใจตัวเองเนี่ยนะคิดเราว่าข่มในสมัยที่ควรข่มยกในสมัยที่ควรยกถ้าอารติเบื่อเจริญกุศลต้องยกแล้วนะต้องยกยกแต่ถ้ามันไปยินดีในอกุศลต้องข่มแล้วนะว่ามันเป็นยังไง ท่านบอกว่าเจดข้อเนี่ยนะละกามด้วยเนคขมมะละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทละถีนมิธะด้วยโลกสัญญาละอุทธจารด้วยความไม่ฟุ้งซ่านละวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมละอวิชาด้วยยานละอระติด้วยปรามโมทอันนี้เรียกวุปจาระฌานใครที่บริหารคุณธรรมเจ็ดตัวไม่ได้ไม่คู่ควรที่จะได้ฌานก็เรียกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้เรียกวุปจาระฌานวุปจาระฌานแล้วว่าใกล้ต่อการได้ฌานหรือผู้ที่ได้ฌานต้องบริหารเป็น เรียกว่าเพราะว่าอาการของจิตเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าจิตของปุถุชนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกจิตที่ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยนะโดยมาจากการมาฉันท่บ้างเดี๋ยวก็ตกไปในกามาฉันท่เดี๋ยวก็ตกไปในพยาบาทเดี๋ยวก็ตกไปในถีนามิธาเดี๋ยวก็ตกไปในอุท ธ, ธาจักกุกุจะเดี๋ยวก็ตกไปในวิจิกิจชาเดี๋ยวก็ตกไปในอวิชชาเดี๋ยวก็ตกไปในอารเตห์พันเมื่อมันมีตั้ง7ดกลุ่มที่จะทําให้ใจมันตกไปง่ายๆอย่างเงี้ย แต่ตัวระบบป้องกันเนี่ยก็คือเนกขมมะอัพยาบาทอโลกสัญญาความไม่ฟุ้งซ่านการกําหนดธรรมญาณนะและความปราโมทในกุศลธรรมนั่นเองก็ต้องมาบริหารปกเคราะห์ดูแลใจให้ดีเนี่ยนะเรียกว่าเจ้าหน้าที่เครื่องเจ้าหน้าที่ป้องกันเนี่ยเจ็ดท่านด้วยกันนะทางความคิดนะนะเรียกว่าติดตั้งระบบภูมิคุ้มกันเจ็อย่างเอาไว้ให้ดีไม่งั้นเชื้อโรคมันเข้าโรคพวกนี้มันได้ายแรงนะมันระบาดเข้ามาเมื่อไหร่ก็ป่วยเลยเนะี่ยนะยิ่งกับไวรัสไข้หวัดใหญีอกองนะ ทีนี้ต่อไปว่าเมื่อเจริญได้ตามนั้นแล้วก็อบรมกรรมฐานที่ที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยรวมๆเช่นว่าถ้าเป็นคนที่โทสะจริตก็หนักไปทางพรหมวิหารราคะจริตก็อสุภะกรรมฐานหรือเจริญกสินเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเจริญอย่างนี้ได้ปฐมฌมานก็จะข่มนิวรณ์ได้อย่างวิคัมวิคัมพะนะค่อนข้างจะเรียกว่าแหวกอกุศลออกไปได้ใหญ่มากไปกว้างมากะนะถ้าเพิ่มอีกก็ละวิตกวิจาร์ด้วยทุติยะฌาน ละปีติด้วยตาตยะชานละสุขทุกโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนด้วยจตุทัชฌานอันนี้เรียกว่าด้วยจตุทัชฌานก็เป็นการละอ่าเรียกว่าแม้แต่กุศลยังต้องละเลยเช่นละวิตกวิจารเนี่ยกุศ ล, ลวิตกทั้งนั้นนะให้ละอีกละปีติทั้งทั้งที่ในกุศลนะปีติในกุศลธรรมก็ต้องต้องละอีกละสุขทุกก่ก่อนเนี่ยนะด้วยก็ละสุขในกุศลธรรมอีก อันนี้แหละเรียกว่ารูปประชามทั้งหลายก็มีการละแม้กระทั่งกุศลละกุศลระดับสูงต่อไปอีกแม้แต่ระดับอรูปประชามทั้งหลายเนี่ยนะใครจะได้อรูปประชามที่หนึ่งต้องละรูปประชามที่หนึ่งออกไปบอกไม่เอาละรูปประชามที่1นึ่เขาเรียกว่าเพิ่มคุณธรรมไปตลอดต้องละอรูปประชามที่หนึ่งจึงจะได้อรูปประชามที่สองละอรูปประชามที่สองเพื่อให้ได้อรูปประชามที่3เนี่ยนะละอรูปประชามที่สามจึงจะ ได้อรูปประชามที่สี่มันจะมีแม้กระทั่งกุศลอย่างละละละล ะ, ละไอ้คาว่าละในที่นี้อ่ะไม่ใช่แบบเอาไปโยนทิ้งโยนขว้างอนะแปลว่าตัดใจมีอยู่นั่นแหละแต่ตัดใจไม่ใช่ว่าเข้าแบบนั้นไม่ได้แต่ตัดใจจากสิ่งนั้นได้เหมือนอย่างว่าใครที่มีมีบ้านอยู่สักสิบยี่สิบชั้นเนี่ยนะถ้าไม่ขึ้นเดินขึ้นชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะถามว่าอถ้าไม่ไม่สละดชั้นล่างแล้วจะเดินขึ้นชั้นสูงได้ไหมถ้ายังโอ้ยชั้นล่างกองงามดีอยู่แล้วชั้นสูงไม่อยากได้ แต่ว่าเมื่อเดินขึ้นชั้นสูงถามว่าชั้นล่างสุดไปเลยใช่ไหมไม่ชั้นล่างก็ยังอยู่แต่ว่าจะต้องค่อยๆละแล้วขึ้นไปละขึ้นไปละขึ้นไปแต่ถ้าชำนาญอยากจะเข้าพักชั้นไหนก็ได้สบายเแต่ถ้าว่าในช่วงการเจริญตอนแรกจะมีการละโดยลําดับขึ้นเป็นชั้นๆชั้นๆไปแต่ถ้าหากว่าชำนาญแล้วอบรมชำนาญสลับสกิรวัดสลับฌานถ้าาเริ่มชำนาญสูงสุดก็สลับฌานจะเข้าฌานไหนก็เข้าได้ตามที่ประสงค์โดยประการทั้งปวง แต่สรุบว่าคุณธรรมที่ที่ไปละเนี่ยนะคุณธรรมแต่ละตัวจะจะมีความพอสมกันเขาเรียกว่าไม่ล่วงกันและกันไม่ล้าหน้าซึ่งกันและกันก็แปลว่ากุศลธรรมเหล่านั้นสมักสมานสามัคคีปรองดองกันศรัทธาคู่กับวิริยะสมาธิคู่กับเออเข้าไปศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิสติคอยประคับประคองเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านี้ให้เป็นไปได้บ่อยและต่อเนื่องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้ง ศีลสมถาวิปัสสนาก็ศีลกับสมถะที่พูดมาเนี่ยนะอย่างอุปจาระฌานทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นทั้งกุศลและศีลด้วยเพราะเริ่มกันบาปออกไปถ้าสมถะก็เพิ่มภูนบุญนั่นก็เป็นศีลสมถะแต่ถ้าต่อไปก็จะเป็นมหาวิปัสสนาสิปดอันนั้นก็เป็นศีลสมถะและวิปัสสนาผลแห่งการเจริญศีลดีสมถะดีวิปัสสนาดีก็จะเป็นอริยมรรคเนี่ยนะผลอริยมรรคต่อไปมีการละอะไรขึ้นไปบ้าง ส่วนในการเจริญมหาวิปัสสนากับอาริยมรรคก็จะกล่าวเพิ่มเติมครั้งหน้าเนี่ยนะสัปดาห์หน้าอาจจะครั้งหน้าอาจจะขึ้นสัจชิกาแต่รธรรมนั่นในปฏิสัมพิธามะภาเวตภานิเทศการขยายความเกี่ยวกับพระธรรมที่ควรเจริญพระธรรมที่ควรเจริญก็คือการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย การเจริญกุศลธรรมทั้งหลายถ้าแบ่งไปแล้วก็คือการเจริญสมถะและวิปัสสนาการเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นมีการขยายเรียกว่าแจกแจงรายละเอียดในในที่นี้เนี่ยขยายไว้ประมาณสามสิบเจดชั้นด้วยกันสามสิบเจดชั้นนั้นก็แบ่งเป็นอุปจาระชาญนเจ็ด คือสิ่งที่ใกล้ๆฌานหรือคุณธรรมที่เป็นบากรองรับฌานมีอยู่เจดข้อแล้วก็รูปสมาบัติอรูปสมาบัติก็เรียกว่าสมาบัติแดแล้วก็มหาวิปัสสนาสิบแปดมรรคสีอริยมรรคทั้งสี่ก็รวมเป็นสามสิบเจ็ดข้อสามสิบเจ็ดข้อเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเป็นกุศลธรรมที่เรียบเรียงเป็นไปโดยลำดับในกุศลธรรมทั้งสามสิบเจ็ดนั้น ท่านก็เรียกว่าเป็นภาวนาการเจริญกุศลธรรมทั้งสาสิบเจ็ดเนี่ยเป็นภาวนาเพราะว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่เจริญธรรมะทั้งสามสิบเจ็ดท่านบอกว่าไม่ล่วงกันและกันหมายความว่าเป็นไปเคียงคู่กันเป็นไปอย่างสมดุลกันเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมท่านอย่างเช่นกุศลธรรมที่เรียกว่าเนคขมมะเนี่ยถ้าหากว่าละกามฉันทะได้กุศลที่เกิดขึ้นในขณะเนคขมมะ กุศลธรรมเหล่านั้นก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอคือหมายความว่าไม่ร่วมกันและกันซึ่งกุศลธรรม ท, ที่เกิดร่วมในขณะเนคขมมะก็ไม่ใช่กุศลอันเดียวก็มีกุศลธรรมหลายอย่างเช่นในขณะนั้นมีศรัทธาขณะนั้นมีวิริยะขณะนั้นมีสติขณะนั้นมีสมาธิขณะนั้นมีปัญญาฉนั้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาฮิริอุตปะเป็นต้นเนี่ยกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ย ไม่ล่วงกันและกันคือเป็นไปอย่าง เ, าเหมาะสมเป็นไปอย่างเช่าว่าอีกในหนึ่งก็ไม่ล่วงเกินกันและกันไม่มีตัวใดล้ำหน้าแล้วก็ไม่มีตัวใดล้าหลังนะกุศลธรรมเหล่านี้เป็นไปอย่างดีนั้นอย่างคนที่ละการมาฉันท์าได้จริงๆนั้นกุศลธรรมของเขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รักษาคุณภาพไม่มีความยิ่งความหย่อนไม่มีตัวใดยิง่งหย่อนกว่ากันหรือแม้กระทั่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้น ที่ละพยาบาทคือ อ, อับพยาบาทหรือความไม่พยาบาทหรือที่เรียกว่าเมตตาคุณธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขณะเมตตาเนี่ยนะเช่นอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ร่วงกันและกันเนี่ยนะเป็นไปอย่างพอดีเมื่ออินทรีย์ห้าเป็นไปอย่างพอดีการละพยาบาทจึงมีได้นนะพยาบาทก็ถูกกาจัดออกไปแล้วก็การละพยาบาทอ น, นั้น ก็เป็นการละที่แน่นอนเป็นการละที่ที่เรียกว่าอะไรมีกุศลธรรมรองรับมากมายหลายอย่างด้วยกันหรือกุศ ล, ธร ร, ล, นะลธรรมที่ละทีนามิทะเนี่ยนะกุศลธรรมที่ละทีนามิทะก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะที่เป็นไปกับอาโลกสัญญาขณะนั้นก็สามารถที่จะละทีนามิทะได้ก็ไม่ใช่ว่าแค่ แก้ปัญหาไปเฉพาะขณะขณะไปแต่เป็นการข่มทีนะมิทะขจัดทีนะมิทะทำลายพละกำลังเรี่ยวแรงของทีนะมิทะกุศลธรรมที่เป็นอาโลกสัญญานั้นมีพละกำลังเพราะว่าได้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นตัวอุดหนุนเป็นตัวเกื้อกูลทาให้ะละทีนมิทะได้มีกาลังไม่ใช่ไม่ใช่แค่สร้างความตื่นตัวเป็นขณะขณะ ง่วงทีก็แก้ทีง่วงทีก็แก้ทีไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่ากุศลธรรมที่ต่อเนื่องมีพะละมีกําลังมีความรู้มีความสามารถพอที่จะเกียรติกันทีนะัมิทะให้ห่างออกไปไกลหรือแม้กระทั่งละอุทธธัจะเนี่ยนะนะละอุทธะจะคือความฟุงรร้งซ่านก็ละด้วยความไม่ฟุงรร้งซ่านละด้วยสมาธิเนี่ยนะนะสมาธินั้นก็มีสติมีวิริยะเนี่ยเป็นตัวเกื้อหนุนแล้วก็ความที่เป็นผู้มีศรัทธาในากุศลธรรม เห็นคุณค่าว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันมีโทษความไม่ฟุ้งซ่านไม่มีโทษความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลความไม่ฟุ้งซ่านเป็นกุศลก็เห็นคุณของการเจริญกุศลแล้วก็มีปัญญารอบรู้ น, นะว่าอะไรเป็นเหตุปัจจยยัยแห่งความฟุ้งซ่านที่จะละความฟุ้งซ่านนั้นละได้อย่างไรความรู้ความสามารถอันนี้ก็ต้องอาศัยกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศรัทธาเป็นต้นดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะ ศรัาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ทําให้กุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ก้าวไายไม่ก้าวล่วงไม่ล่วงเกินกันและกันคือกุศลธรรมเนี่ยนะถ้ามองไปแล้วก็เหมือนกับองค์กรองค์กรหนึ่งกุศลแต่ละอย่างเนี่ยนะกุศลในในหนึ่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เท่ากับเป็นองค์กรหนึ่งองค์กรเมื่อเป็นเมื่อเป็นลักษณะขององค์กรองค์กรที่มีประสิทธิภาพทํางานได้ดีเนี่ย เป็นองค์กรที่มีความสมัครสมานสามัคคีกันไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวไกลหน้าที่ซึ่งกันและกันทุกคนมีความเคารพซึ่งกันและกันอทํางานตามความรู้ความสามารถทําตามหน้าที่ของตนของตนทําด้วยความรับผิดชอบเนี่ยนะทำด้วยความเอาใจใส่ฝักใฝ่ไม่ทิ้งแล้วก็ทุกคนก็ให้เกียรติกันและกันทุกคนก็มีความเคารพซึ่งกันและกันตามฐานะตามสมควรฉันใดกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตก็เหมือนกัน เมื่อกุศลธรรมเหล่านั้นมีความสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยนะกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอ่ะเขาเรียกว่ากุศลธรรมเกินห้าสิบอนะองค์กรใหญ่มากเลยในในองค์กรการเจริญกุศลในจิตนั้นอนะ่ะมีอยู่เกิน 50. ห้าสิบทั้นกุศลธรรมเกินห้าสิบเหล่าเนี้ยทํำยังไงเขาจะมีความสมัครสมานมีความสามัคคีกันมีความปรองดองกันและกุศลธรรมแต่ละอย่างที่อยู่ในนั้นก็ทํางานเต็มหน้าที่เนี่ยนะทำงานเต็มกิจทํางานเต็มหน้าที่ เช่นหิริก็ทําหน้าที่ของตนเต็มที่โอตะปาคก็ทําหน้าที่ของตนเต็มที่ศรัทธาก็ทําหน้าที่เต็มที่สติก็ทําหน้าที่เต็มที่สมาธิก็ทําหน้าที่เต็มที่ปัญญาก็ทําหน้าที่เต็มที่อะโลพาอะโทสะอะโมหะเป็นต้นคุณงามความดีเหล่านั้นแต่ละตัวแต่ละตัวถูกดึงเอาพลังเรียกว่าเอาพลังเอาความรู้ความสามารถมาใช้งานทั้งหมดแล้วก็ไม่มีผู้ใดไปเหลื่อมล้ําซึ่งกันและกัน ไม่มีกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าใดที่อยู่ในที่เดียวกันมาก้าวไายกันและกันเนี่ยนะแล้วก็เป็นกุศลธรรมที่ได้รับการกําหนดทิศทางเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการเจริญเพื่อข่มบาปอากุศลในเบื้องต้นเบื้องต้นเป็นการเจริญในลักษณะตัดทางฆ่าประหารเปตและวิขำพนะประหารแต่เบื้องปลายนั้นเพื่อสมุดเฉทประหาร ท่านก็กุศลธรรมเหล่านี้ก็จะผนึกกําลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเต็มที่ก็เรียกว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่ความไม่ฟุ้งซ่านนั้นไม่ร่วงกันและกันเมื่อความไม่ร่วงกันและกันอย่างนี้นี่แหละจึงจะเป็นอุปจาระสมาธิเป็นบาดรองรับฌานทั้งหลายเป็นบาดรองรับปฐมฌานเป็นต้นแล้วก็กุศลธรรมเหล่านี้จึงจะเป็นบาดรองรับวิปัสสนาเป็นบาดรองรับในการวิจัยพิจารณาอริยสัจได้ แม้กระทั่งการเาวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมนั้นการเาวิจิกิจฉาอันนั้นเนี่ยกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่กําหนดธรรมนั้นก็ไม่ล่วงเกินกันและกันหรือไม่ล่วงหมายความว่าไม่มีตัวใดหย่อนไม่มีตัวใดยิ่งไปกว่ากันและกันเขาเรียกว่าถ้ายิ่งหย่อนซึ่งกันและกันนะก็คือแต่ละคนก็ไม่โยนภาระไปให้กันบอกเออเนี่มันเรื่องของแกไม่เรื่องของชั้นเรื่องของชันไม่ใช่เรื่องของแกแกไม่ยุ่งก้าวกายฉั้นทําไมเป็นต้นลักษณะแบบนั้นจะไม่มี คือถ้าในลักษณะกุศลธรรมถ้าตัวใดมันน้อยตัวอื่นก็มีกําลังมากกว่าเพราะฉะนั้นกุศลธรรมที่มีกําลังเป็นไปอย่างพอดีจึงจะละวิจิกิจฉาได้ไม่งั้นมันก็จะดูแลใจของตัวเองไม่ได้ว่าเอาไปเอามาเดี๋ยวก็สงสัยอีกแล้วเดี๋ยวก็สงสัยอีกแล้วเดี๋ยวก็ไม่เอาอีกแล้วความสงสัยนี่มันมันไม่ใช่ว่าสงสัยแล้วจะทําให้ปัญญาขึ้นนะวิจิกิจฉาตัวนี้กับปริปุชากุระหี่กัน ปริปุชานั้นเป็นความรู้เป็นความฝักใฝ่ที่จะรอบรู้รอบรู้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปรอบรู้ให้กว้างขวางมากกว่าเดิมแต่วิจิกิจชาเป็นเหมือนกับทางสองแพ่งที่มีโจรร้ายเนี่ยนะเอไปหรือไม่ไปดีแต่ว่าแนวโน้มไม่ไปอ่ะสูง น, นะขันใดก็ดีเมื่อมีความสงสัยในกุศลธรรมโดยมากเชื่อได้เลยว่าเขาไม่เจริญกุศล น, นะก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นตะปูตรึงใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเป็นตะปูตรึงใจที่จะไม่เจริญกุศลธรรม มันถ้ามีความสงสัยขึ้นเมื่อใดให้รู้ว่าตัวเองนั้นเหมือนกับว่าอะไรนะรากแห่งกุศลธรรมถูกทําลายเรียบร้อยแล้วยากที่จะเจริญงอกงามถ้าอย่างผู้ที่สงสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ตามสงสัยในแง่บุมใดก็ตามก็บอกว่าคุณไม่ต้องหวังความเจริญในาศาสนานี้หรอกเหมือนกันไม่ต้องหวังความเจริญเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ความสงสัยเนะี่ยมันเป็นตัวบันทอนที่ร้ายกาจมากนลยนะ คือไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้สงสัยไม่ได้พูดอย่างนั้นว่าอย่าสงสัยไม่ได้ห้ามอย่างนั้นแต่หมายเขาว่าไอ้พิษร้ายแรงของความสงสัยคือวิจิกิจฉาด้วยอํานาจบาปอากุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยมันร้ายแรงถึงขนาดว่าตรึงใจเนี่ยนะเป็นตะปูตรึงใจที่ไม่ให้เกิดการเจริญ ง, งอกงามในกุศลธรรมทั้งหลายเนะ เันคนที่จะละวิจิกิจฉาได้กําจัดความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยจึงมีการกําหนดธรรมทั้งหลายเนี่ยนะกำหนดกุศลธรรมทั้งหลายได้อย่างชัดเจนมีการกําหนดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะเมื่อมีความสงสัยเนี่ยการที่จะสอบถามเข้าไปสอบถามผู้ที่สามารถขจัดบัมบัดความสงสัยให้ได้จะต้องไปสอบถามถ้าไม่สอบถามเนี่ยนะถ้าอยู่ด้วยความสงสัยยากที่จะ เจริญงอกงามในกุศลธรรมเนี่ยนะเพราะว่าความสงสัยเนี่ยเป็นตัวบันทรตัวบันทรกุศลธรรมจิตมันเริ่มท้อแล้วชักไม่เอาแล้วเนี่ยนะคือคือเหมือนกับว่ามันไม่เอาแล้วใจมันไม่เอาเมื่อใจไม่เอามันก็ไม่เจริญอยู่แล้วเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะถือเอาใจเป็นประมาณอันนอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายใมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าอันนั้นเร็จแล้วแต่ใจถ้าหากว่าใจเนี่ยผ่องใส ถ้าใจผ่องใสด้วยอนาพิชาด้วยอัพยาบาทด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะการกระทําคําพูดเป็นต้นเนี่ยก็เป็นการกระทําที่ไม่มีโทษเนี่ยนะแล้วก็ความสุขก็จะติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตัวทีนี้ถ้าหากว่าใจมันไม่ผ่องใสเนี่ยนะถูกวิจิกิจฉาประทุษาร้ายเรียบร้อยแล้วว่าวิจิกิจฉาเนี่ยมันเกิดร่วมกับโมหเ่นะ เกิดร่วมกับโมหะแล้วก็กระเดียดไปทางมิจฉาทิฐิถ้าปล่อยให้ความสงสัยกลุ่มรุมมากๆเข้าบ่อยๆเข้ามิจฉาทิฐิหรือทิฐิหกประการตัวใดตัวหนึ่งจะเข้ามาเช่นสัสตะทิฐิเป็นต้นจะตามมานั้นหวังความเจริญงอกงามในกุศลธรรมได้ยากทั้นวิจิกิจชาเนี่ยจะต้องอะไรจะต้องหาอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาพระธรรมไว้อย่างมากมายและกว้างขวางเพียงพอแล้วก็ต้องอาศัย กาลยานามิตรอาศัยหล้ยล า, ยายอย่างด้วยกันเนี่ยนะจึงจะสามารถกําหนดแยกแยะได้เพราะว่าวิจิกิจฉาตัวเนี่ยเป็นตัวที่ที่ทําลายเนี่ยนะปัทธร้ายทําให้กุศลธรรมที่ควรเจริญก็ไม่เจริญขึ้นท่านก็ต้องเรียกว่ารวบรวมบุญกุศลหลายๆประการเพื่อที่จะละวิจิกิจฉาแล้วก็ให้กุศลธรรมเหล่านั้นไม่ก้าวไายซึ่งกันและกันไปนี้ถ้าจะละอวิชชาท่านบอกว่าละด้วยความสามารถแห่งยาณ น, นะเนี่ยนะ คือปัญญาเนี่ยเป็นหัวหน้าปัญญาเป็นใหญ่แต่ถ้าปัญญาที่ขาดกุศลธรรมอย่างอื่นรองรับปัญญาเหล่านั้นก็ทํากิจของตัวเองได้ไม่เต็มที่เช่นปัญญาที่ขาดศรัทธาปัญญาเหล่านั้นก็เจริญยากแล้วก็ไม่ค่อยน้อมไปเพื่อการเจริญศรัทธาปัญญาที่ขาดสติก็เหมือนกันเนี่ยขาดสติที่ระลึกได้อย่างแม่นยําหรือปัญญาที่ขาดวิริยะปัญญาที่ขาดสมาธิก็ยากที่จะละอวิชชาได้เนี่ย หรือถึงละวิชาได้ก็ละได้อย่างไม่ไม่จริงจริงอะไรปกติความมืดทั้งหลายเนี่ยถูกขจัดออกไปด้วยแสงสว่างนะแสงด้วยแสงประทีปกลางคืนเดือนมืดเนี่ยถ้าจะกําจัดความมืดเหล่านั้นก็คือด้วยการจุดประทีปแต่ถามว่าประทีปที่มีไส้อ่อนแอมีไส้อยู่เส้นเดียวเนี่ยนะแล้วก็ไส้ประเภทผุผุเปื่อยๆด้วยเแล้วก็น้ามันเนี่ยเศร้าหมองหม่นหมองเต็มที่ลมก็แรงแรง ถว่าประทีปดวงนั้นจะสว่างแค่ไหนเพราะมันจุดติดนิดเดียวก็ดับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าติดเสร็จก็ดับเลยติดเสร็จก็ดับเลยฉันใดปัญญาที่จะละอวิชาก็ฉันนั้นจะต้องมีกุศลธรรมอย่างอื่นมารองรับเนี่ยมากโดยเฉพา ะ, ะกุศลธรรมคือศรัทธาวิริยสติแล้วก็สมาธิเนี่ยนะเป็นตัวรองรับปัญญาเป็นเหมือนกับตัวอุดหนุนที่จะทําให้ปัญญาเนี่ย ตองประกายแห่งความสว่างได้อย่างมากทีนี้อที่สําคัญเขบอกว่าปราโมทเนี่ยนะเป็นตัวละอารติปราโมทเนี่ยกุศลธรม ร, ม, ร, ม, ทรมที่เกิดขึ้นในขณะที่ปราโมทนั้นอะ่ะมันก็ไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันก็เขบอกว่าศาสนานี้อะไรทําได้ยากเขาบอ ก, กบว่างั้นศาสนานี้อะไรทําได้ยากบอกการบวชทําได้ยากแล้วถามว่ายากกว่าบวชมีอีกไหมบอกมีบอกอะไร มีใจยินดีกับการบวชกอว่างนันไอ้ที่มีใจยินดีมีความสุขกับการบวชนี่ยมันยากก็ว่ากันไอเอาบวดร่างกายมาจาับกโกโกนผมผมผ้าเหลืองมันทำไม่ยากแต่ถามว่ามีความสุขกับการบวชจรงิงๆเนี่ยยากถามว่าทำไมยากเพราะว่าอารติมันเกิดขึ้นอารติคือสภาพจิตที่ไม่น้อมไปเพื่อเจริญกุศล น้อมไปเพื่อยินดีในกามน้อมไปเพื่อยินดีในรูปเสียงเปลี่ยนรสโภทภะทั้งหลายน้อมไปยินดีในเรื่องราวในกามคุณทั้งหลายเมื่อใจยินดีน้อมไปในกามคุณทั้งหลายใจก็ไม่ยินดีในกุศลธรรมเมื่อใจไม่ยินดีในกุศลธรรมไม่ยินดีในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อใจไม่ยินดีไปในสมถะและวิปัสสนาจิตใจก็แห้งแ้งอับเฉาไปเรื่อย ใจแห้งแล้งอับเฉาเท่าใดอารติก็จะมีกําลังมากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้นความไม่ยินดีในสมถะและวิปัสนาไม่ยินดีในวิปัสนาเป็นต้นก็จะเริ่มเกิดขึ้นไม่ยินดีในพระพุทธคุณธรรมคุณไม่ยินดีในพระพุทธศาสนาจิตใจก็ไม่ฝักใฝ่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องการความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นต้นไม้ฤดูแล้งนี่นะ เรียกว่าอะไรนะปลายฝนปลายฝนก็ปลูกต้นไม้ต้นพอใหญ่พอสมควรแล้วก็ไม่มีการรดน้ําเลยปลูกในที่ที่มันแห้งแล้งฝนก็ไม่ตกแล้วก็หน้าแล้งเข้ามาเท่าใดต้นไม้ต้นนั้นก็เฉาไป ท, ทุกวันทุกวันทุกวันในที่สุดก็ประมาณเมษาที่ไม่เคยรดน้ําตลอดเวลาสี่ห้าเดือนก็ตายสนิทฉันใดผู้ที่ปลูกบุญกุศลลงในจิตใจก็เหมือนกันในการเจริญสมถาวิปัสสนาศึกษาปฏิบัติธรรมคาสอนนี่ก็ลักษณะนั้น มันเว้นไว้แต่ว่าทาแบบเล่นๆนะแบบเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟอะไรว่างๆถ้าเกินกิจกรรมจเจริญประเภทว่างๆเงาๆอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าจเจริญเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นเราเป็นสาระเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่สามารถหาความสุขจากกุศลธรรมได้บอกได้เลยว่าจเจริญได้ไม่นานและก็จะเจริญได้ไม่ทนน่ยน ะ, จะเจริญได้ไม่โดยที่ไม่มีความ อดทนอะไรเพราะไม่เห็นอานิสงส์ไม่เห็นผลไม่เห็นกําไรไม่เห็นว่ากุศลธรรมนี่มันดีอย่างไรนั้นก็ต้องศึกษารวบรวมกุศลธรรมเพื่อเป็นฐานให้เกิดปราโมทถ้าหาความปราโมทหาความสงบสุขจากการเจริญกุศลธรรมไม่ได้ยากที่จะเจริญในาศาสนานี้เนี่ย น, นะเพราอย่าลืมว่ า, าศาสนานี้เป็นตัวาศาสนาจริงๆเนี่ยนะสับสับ ศ, ศาสนาเนี่ยแปลว่าคําสอนของพระาศาสดา ที่เป็นไปกับสิกขาสามหรือประกอบด้วยสิกขาสามเป็นประการประกาศอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญานั้นถ้าหากว่าอธิศีนไม่เจริญงอกเงยขึ้นอธิจิตไม่เจริญงอกเงยขึ้นอธิปัญญาไม่เจริญงอกเงยขึ้นอะไรเจริญอธิศีนไม่เจริญโทสะก็เจริญอธิจิตไม่เจริญโลภะก็เจริญถ้าอธิปัญญาไม่เจริญโมหะมันก็เจริญ ถ้าสิกขาสามไม่เจริญอากุศลมูลก็เจริญถ้าอกุศลมูลเจริญเท่าไหรวจีที่พูดออกมาก็เป็นวจีทุจริตสิ่งที่ทําทุกอย่างก็เป็นกายะทุจริตไปแต่ถ้าหากว่าอธิศินเจริญกายก็เป็นกายะสุจริตวจีก็เป็นวจีสุจริตถ้าที่จิตเจริญมโนความคิดก็สุจริตเนี่ยนะโดยเฉพาะอธิปัญญาเจริญเท่าใดก็จะชําระสาสางเพื่อที่ขจัดบําบัดไอความ โง่เขาออกไปขจัดเหตุแห่งความเหตุแห่งการทําทุจริตปัญญาเกิดขึ้นเท่าใดก็ขจัดเหตุแห่งการทําความชั่วทางกายวาจาปัญญาเกิดขึ้นเท่าใดก็สามารถที่จะ ก, กําจัดเหตุแห่งความคิดนึกชั่วทางจิตใจ น, น, นั่นคนที่เจริญเนี่ยต้องมีความปรับเปลื้มในกุศลธรรมที่เรียกว่าปราโมทยิ่งปราโมทเกิดจาก ปรามโมทมาเกิดจากอาวิปปิสารอวิปปิสารเกิดจากกุศลธรรมทั้งหลายเกิดจากกุศลศีลทั้งหลายเกิดจากจารีตศีลทั้งหลายเกิดจากวารี์ศีลทั้งหลายเกิดจากโยนิโสมนสิการเกิดจากการฟังธรรมเกิดจากการคบกัลยาณมิตรเกิดจากการได้สัปพายะทั้งหลายเนี่ยนะรวมๆก็คือเป็นคนที่เข้ามาในพระศาสนาแล้วประสบความสําเร็จมางั้นเถอะคือเรียกว่าอนาคตรุ่งเรืองมันใครที่ศึกษาพระธรรม แล้วได้ปราโมทยปีติในกุศลธรรมได้บ่อยๆเรียกว่าอนาคตไกลประาณนั้นแต่ถ้าเข้ามาแล้วก็เฉาลงทุกวันวันแรกก็มีศรัทธาร้อยหนึ่งวันที่สองเหลือเก้าสิบเนี่ยนะวันที่ก็ลดลดลดลดลดไปเรื่อยๆก็หาเหตุผลว่าจะลาออกได้ยัง ไ, ไงปรงมาณนั้นกําลังกําลังหาข้อมูลเอ๊ยจะลาออกได้ยังไงก็แสดงว่าแห้งแล้งอับเฉาเต็มทีอยู่แล้วคนที่ศึกษาพระธรรมหลายๆคนก็เป็นลักษณะนั้นก็เพราะว่า กุศลจิตไม่หนานแน่นพอแล้วก็ไม่ศึกษาเพื่อเจริญกุศลเนี่ยนะถ้าหากว่าเราตั้งเป้าผิดพลาดในการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็ยากที่จะเจริญทวนอีกครั้งหนึ่งว่า เ, เคยเล่าบ่อยๆว่าการศึกษาทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนศึกษาวิชาหาความรู้ทางโลกการครบมิตรคบพักสมัครพักพวกการอยู่เนี่ยถามว่าวัตถุหลักๆจริงๆที่ต้องการคืออะไรคือต้องการสแสวงหาโพวทขัพย์ต้องการรักษาโพวกขัพย์ ทำพวกรั์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำพวกรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเกิดการใช้จ่ายดูแลพวกรัพย์โดยที่ไม่เสียหายชีวิตจะได้เป็นสุขครอบครัวก็จะได้เป็นสุขอันนั้นคือหลักการที่มีอยู่ในโลกนี้ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์มีอยู่เท่านั้นทีนี้ถามว่าแล้วในทางธรรมของเราที่เราศึกษาพระธรรมคําำคำสอนเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราจะได้อะไรดูแลอะไรรักษาอะไรเนี่ยนะ มันถ้าเราเข้าใจชัดเจนก็คือการศึกษาเพิ่มพูนแสวงหาอริยทรัพย์ทั้งหลายทํายังไงอริยทรัพย์ที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นเนี่ยนะศรัทธาที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดหิริโอตปะที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดศีลที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดสุตะที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดจาระที่ไม่เกิดก็จะได้เกิดปัญญาที่ไม่เกิดก็จะได้เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันก็เหมือนกับทราบว่างั้นทราบหาก็หาก็ยาก แต่รักษายากกว่าเรักษานี่ยากกว่าสมมติถ้าหาให้ได้สักร้อยหนึ่งก็หาไม่ยากคือพอหาได้แต่ว่าไอ้รักษาร้อยหนึ่งไว้ตลอดไปเนี่ยยากถ้าไม่หาเพิ่มเนี่ยไอ้ร้อยหนึ่งก็ลดละต้องหาเพิ่มไปตลอดเวลาฉันใดกุสุลรธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้มีความสามารถเพียงพอไม่หาปัจจัยอย่างเพียงพอไม่มีสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นไม่มีกาลยานามิตรไม่มีสุตตะเป็นต้นพอ ยากที่จะรักษากุศลธรรมหรือรักษาอริยทรัพย์ให้ให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียกว่าจัดระเบียบให้กับตัวเองเือนกันจัดระเบียบทางความคิดจัดระเบียบทางคำพูดจัดระเบียบทางพฤติกรรมสังคมสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้หวังยากที่จะเจริญงอกงามในกุศลธรรมเน่ย น, นะกน็เพราะว่าตัวการมาฉันทานนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นกิเลสที่จริงอยู่มันอกุศลเนี่ยมันไม่มีกาลัง แต่ว่ามันมันอกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเท่าไรหรอกแต่ว่าเวลามันเข้ามาสิ่งมาแทรกเลยนะมันเข้าถึงใจเมื่อใดเนี่ยมันใหญ่เนี่ยนะก็ตัวอย่างว่าเชื้อโรคมันไม่ตัวใหญ่เท่ากับควายอะไรหรอกใช่ไหมตัวนี้เดียวเนี่ยบางทีต้องใช้กล้องสองเลยซ้ําไปแต่เวลามันเข้ามาในร่างกายทําไมทําให้คนตัวโตๆเนี่ยลราป่วยไปได้เลยลุกก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นตัวมันไม่ได้ใหญ่นะถ้ามันใหญ่เท่าสุนัขปนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ เอาปืนยิงกระจายหมดอะแต่ทีนี้ว่ามันไม่ได้ใหญ่แบบนั้นตัวนิดเดียวเนี่ยนะทีต้องหาผ้าปิดจมูกไว้ซ้ําใบมันเล็กขนาดนั้นทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉันใดอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะพระองค์ตรัสว่าอภบพลาอภบพละก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีกําลังอะไรหรอกมันเป็นของเล็กน้อยอะแต่ทีนี้ว่าเวลามันท่วมทับครอบงําจิตใจแล้วมันใหญ่นะกาเมฉันทะพยาบา ท, ทีนะมิทธะอุทะจัก วิจิกิจชาอาวิชาและความไม่ยินดีในกุศลธรรมที่เรียกว่าอารตตเนี่ยนะมันเป็นกุอกุศลที่ค่อนข้างร้ายกาจมากท่านคือตัวมันเองเล็กก็จริงแต่มันเข้าไปสิงแทรกในใจเมื่อใดก็เดือดร้อนอนะทีน่ามิท่าตัวมันเองไม่ใหญ่นะแต่พอมันเข้ามาปับ๊บมันทําให้นั่งง่วงอย่างเดียวเงี่ยท่านต้องเจริญอนะ ใ, ให้กุศลธรรมเต็มเปี่ยมไม่ว่ากุศลธรรมที่เกิดจากเนคคำมะความไม่พยาบาท อ a l ั o c a t i o อ, อความไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็การกำหนดธรรมยานและปราโมทกุศลธรรมทั้งเจ็ดประการเนี่ยนะนี้ในคำว่าภาวนามีอยู่คำหนึ่งบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอย่างเดียวกันเพราะในขณะที่เน่คำมาอินทรีย์ต้องมีกิจอันเดียวกันจึงจะละกามฉันทาได้หรือละเมื่อกามฉันทาที่ถูกละออกไปแล้วเนี่ยนะกุศลธรรมก็จะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป อินทรีห้าต้องสม่ำเสมอกันเป็นไปได้อย่างดีจึงจะละพยาบาทได้อินทรีห้าเนี่ยนะมีกิจอย่างเดียวกันทํากิจอย่างเดียวกันขณะเจริญอะโลกัสัญญาจึงจะละทีนาะมิธาได้กุอินทรีห้าเนี่ยนะจะต้องมีกิจเป็นอย่างเดียวกันที่เกิดขึ้นในความไม่ฟุ้งซ่านจึงจะละอุทจจะได้อินทรีห้านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทำกิจเป็นอย่างเดียวกันจึงจะสามารถละวิจิกิจชาอ่ะนะ อินทรีห้าที่เกิดร่วมกับปัญญาเนี่ยก็ทํากิจอย่างเดียวกันจึงจะละอวิชชาได้อินทรีห้าที่เกิดร่วมกับปราโมททำทำกิจอย่างเดียวกันจึงจะล ะ, อ า, า อ, ะ, อ, าละอารติได้ผู้ใดที่บริหารใจให้เป็นไปกับกุศลธรรมทั้งเจ็ดประการเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นเป็นภาวนานะตัวเนคขมมะตัวความไม่พยาบาทตัวอโลกสัญญาตัวความไม่ฟุ้งร้านการกําหนดธรรม ตัวยานะตัวปัญญาตัวความปราโมทปราบเพื่มในการเจริญกุศลธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นาาพาเวตปธรรมเนี่ยนะเป็น ธ, ธรรมที่จะต้องต้องเจริญต้องเจริญเจริญที่ไหนก็เจริญในในจิตใจคำว่าเจริญเนี่ยคำว่าเจริญเนี่ยโดยสัมก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าดมรงอยู่ใช่ไหมเจริญเนี่ยแปลว่ามันงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยจำเริญจำเริญอ่ะนะภาษ า, าเขมรก็จำเริญจำเริญคือมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นอ่ะนะ บางอย่างเนี่ยเจริญแปลว่าสูงขึ้นบางอย่างเจริญแปลว่ากว้างขวางขึ้นกว้างขวางขึ้นด้วยใหญ่ขึ้นด้วยฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าเจริญกุศลนั้นเป็นฉันนั้นอย่างเช่นเจริญศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาใหญ่ขึ้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นกว้างขึ้นดังที่กล่าวว่าจากศรัทธาที่เกิดไม่บ่อยให้มาเกิดบ่อยๆที่เกิดแบบไม่ค่อยมีคุณภาพก็มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะ ที่เป็นคุณภาพเล็กน้อยก็ให้เป็นคุณภาพใหญ่ยิ่งขึ้นจากสสังขารเรกก็กลายเป็นอสังขารเรกจากไม่มีความมั่นคงก็กลายเป็นผู้ที่มีความมั่นคงนี่ยนะเพราะนั้นพวกกุศลธรรมเหล่านี้ที่เจริญยิ่งขึ้นลักษณะนี้นี่แหละเรียกว่าภาวนานนะเรียกว่าภาวนาบ้านคำว่าภาวนาไม่ใช่มานั่งฟ้องหรือนั่งบน่นเรียกชื่อใครสักคนให้มันยาวๆก็ไม่ได้แปลว่ายอย่าแปลว่าภาวนาภาวนาหมายความว่าการพอกพูนเจริญงอกเงยแห่ง กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคือพูดอีกนายหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเจริญภาวนาถ้าเจริญปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าเจริญพุท ธ, ธิทางวิญญาณก็วงั้นคือให้ปัญญามันโตขึ้นโตขึ้นเนีมันฉลาดขึ้นถ้ามันฉลาดเท่าเดิมนี่ก็แย่นะมะนก็ต้องฉลาดขึ้นโตขึ้นแม้กระทั่งความเพียรในการกําจัดบาปากุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันจะต้องเจริญเติบตโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพรา ะ, ะนั้นการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เราต้องมันตรวจสอบเหมือนกันเพราะคําว่าภาวนาอย่างอัดสุดท้ายนั้นบอกว่า เสพเป็นอันมากนั้นคําว่าเสพเป็นอันมากนั้นหมายความว่าก็ดูว่าเราจเจริญได้บ่อยขนาดไหนในชีวิตที่เป็นจริงเ่ยนะชีวิตที่เป็นจริงจเจริญได้บ่อยได้ไหมเจริญบ่อยแค่ไหนแล้วก็ไอ้ที่จเจริญบ่อยๆเนี่ยนะมันมันมันยิ่งยิ่งขึ้นไหมอย่างสมมติว่าเรามาเรียนพระธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นแล้วก็ดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้มันฉลาดกว่าเสาร์อาทิตย์ที่แล้วไหมถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ฉลาดกว่าเสาร์อาทิตย์ที่แล้วแปลว่าโง่กว่าเก่า เอาถามว่าทําไมเพราะให้เวลาชีวิตตั้งอาทิตย์หนึ่งอ่ะนะมีเวลาชีวิตอีกตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วมันได้เท่าเก่าหรือเลวกว่าเก่าก็แปลว่าตกต่ําเนี่ยแล้วก็แปลว่าตกต่ํำแล้วเรียกว่าภาวนาได้ยังไงก็เรียกอะไรกันนี้ตรงกันข้ามกับภาวนาก็คือไม่ใช่ภาวนาก็แปลว่าลดลงอ่ะนะเ้าเรียกว่าลดลงพ่านก็ต้องวัดทุกๆแม้กระทั่งว่าโดยธรรมดาต้องวัดทุกเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็าเรียกพูดไปจริงอันนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะนะ แม้กระทั่งว่าเออเนี่ยเราก็ดูว่าปฏิสัมพิทาฟังเมื่อครั้งก่อนกับครั้งนี้ถ้าฟังครั้งนี้ไม่ได้เข้าใจเพิ่มกว่าครั้งที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่นก็แปลว่ามันขาดปุ๋ยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยนะมันปรุงไม่ถูกสูตรแน่นอนอนะ่ะต้นไม้มันจึงไม่โตปัญญามันจึงไม่โตกุศลธรรมจรึงไม่เจริญงอกงามหลังการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าอุย้ยพอแล้วพอแล้วอพอแล้วเนี่ยถ้านพระโสดา อ, อะไรนะอรหัตตะพนยังไม่เกิดอย่าคิดว่าพอ เพราะคําว่าคิดว่าพอในใจเกิดเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าตกโน่นะอยู่ใต้ดินเรียบร้อยแล้วเพราะอากุศลธรรมมันโตเต็มที่เลยนะตอนนั้นนะตอนที่กุศลบอกว่าพอแล้วกุศลแค่นี้พอแล้วนั่นแหละแสดงว่าอากุศลเนี่ ย, ยยึดครองทำเนียบเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องหมัน่นหม่นพยายามทบทวนเนี่ยนะให้กุศลธรรมขึ้นพนันเราก็ต้องหมั่นมาตรวจสอบว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยกุศลธรรมจเจริญ ข, ขึ้นขนาดไหนอนะ คือเคยเรียกว่าเอาประสบะการณ์ครั้งก่อนเนี่ยที่มันมันเคยมีอยู่ในใจของเราแล้วเนี่ยมันมันโตขึ้นขนาดไหนเนี่ยนะมันโตขึ้นมากไหมนะเราแหมถ้าคิดปีต่อปีเนี่ยมันแหมมันดูจะนานไปหน่อยเนี่ยนะถ้าเอาปีหนึ่งมาทบทวนทีหนึ่งบอกมันนานไปหน่อยมันก็มีใจอยู่กัละใจเนี่ยนะทจริงๆก็ไม่น่าจะให้มันนานขนาดนั้นก็เอาแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยมาวัดดูเป็นยังไงอาทิตย์นี้จเจริญกว่าอาทิตย์ก่อนๆอย่างไรเนี่ยนะทีนี้ถามว่า และอาทิตย์หน้าๆต่อไปเนี่ยมันจะให้เจริญอะไรว้างหรือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเจริญอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอะไรยังเต็มด้วยความไม่รู้ขนาดนั้นนี่เจริญอะไรก็ยังไม่รู้เลยถ้าขนาดนี้ก็ก็น่าเศร้าเหมือน ก, กันนะชีวิตนี้นะมีอะไรนะมีทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วเนี่ยถูกต้องเพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเจริญอะไรที่เป็นคุณธรรมให้พ้นไปจากทุกข์เลยมันก็ต้องมาทบทวนนะว่ากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยเจริญขึ้นขนาดไหนและต่อไปคาดว่าจะเจริญอีกแค่ไหนอ้าวมันก็อยู่ที่ใจของเราไม่ใช่หรือรังบอกอยู่ที่ใจของเรายังบอกไม่ได้แล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับอะไรมากมายนะักว่างั้นมันก็ต้องถามเอาว่าความคุณธรรมเหล่าเนี้ยเจริญขึ้นงอกเงยในในใจขนาดไหนภายในหนึ่งปีเนี่ยจะสิ้นปีสี่หกแล้วเนี่ยเป็นยังไงกุศลธรรมคาดว่าสิ้นปีเนี่ยจะถึงทำยอดได้ขนาดไหนอะได้มากที่หนึ่งที่สองที่สา ม, ท, สามที่สี่เนี่ยนะ 3มเดือนแรกเป็นยังไงสามเดือนที่สองสามเดือนที่สามสามเดือนที่สี่มันครบสิบสองเดือนพอดีเนี่ยนะแล้วปีหน้าคาดว่าจะเป็นยังไงอีกสิบปีจะเป็นยังไงอีกยี่สิบปีจะเป็นยังไงและชาติหน้าต่อไปจะเป็นยังไงมันควรจะเจริญแค่ไหนก็ต้องมาสอบถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันหรือว่าปล่อยปละละเลย ไ, ไม่ใช่ปล่อยวางนะปล่อยวางก็คือไม่ยึดมั่นว่ามันเที่ยงมันสุกยั่งยืนและอัตราอนุปัสนาก็เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป แต่ถ้าไม่สนใจอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยไม่ต้องการรับรู้ไม่สนใจไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทําไม่ประเภทประเภทเนี้ก็แปลว่าไม่ตกต่ําไม่จนตกต่ํานะไมแปลว่าเผาไหม้นะไหมจนเผาเกรียมแห้งแรงเพราะไม่ขึ้นเจริญไม่ได้เนี่ยนะก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะกุศลธรรมเหล่าเนี้ยจะต้องเป็นลักษณะวิเศษภารยะซึ่งจะเรียนต่อไปข้างหน้าแต่ตรงวิเศษภารยะเป็นต้นเนี่ยพวกนั้นท่านใช้กับฌาน เน่ท่านใช้กับฌานถ ส, ส่วนใหญ่ท่านไม่ได้มาใช้กับกุศลธรรมล่า ง, างๆเพราะถือว่ากุศลธรรมล่างสมัยพุทธกาลท่านบอกว่าโอ้ยมันเด็กๆขนาดนั้นว่างั้นของเราเนี่ยเด็กของคนสมัยนั้นเนี่ยนะอย่าเมื่อกี้ว่าโอ้ยน้องบัวมาสวดมนต์เนี่ยอายุหกเจ็ดขวบบอกเก่งจางบอกนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันอายุเจ็ดขวบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกด้วยนะเนั่ยนะไม่ใช่ว่าไปซะบ่อยๆ อ, อยู่ในวัดเลยไม่ใช่เจ็ดขวบทั้นก็สมัยนั้นเนี่ยนะอยา่างเมื่อกี้บอกเบกยิงอายุเจ็ดขวบนี่ก็ แก้รัที่เดรัธีได้แล้วควานั้นนะนะสมัยพุทธกาลนะครย้อนกลับมานะว่าการเจริญกุศลธรรมก็คือให้กุศลธรรมทั้งหลายไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันให้กุศลธรรมทั้งหลายนะนะที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยทํากิจอย่างเดียวกันและที่สําคัญก็คือการนําความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมะนั้นๆั้นะทําความเพียรให้เข้าถึงธรรมะนั้นๆแล้วก็ กุศลธรรมเหล่านั้นเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เมื่อกุศลธรรมเหล่านั้นเจริญได้บ่อยเจริญได้มากก็เสพให้มากเนี่ยนะคืออย่าให้มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอย่างหลายคนบอกว่ากุศลธรรมเนี่ยเขาเกิดเกิดแค่ครั้งเดียวก็ดีใจจนดีใจมากจนไม่เจริญต่อไปเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องให้เจริญได้บ่อยๆทํายังไงกุศลธรรมเหล่านั้นอะอาเสวิตายะพาวิตายะภะหุลิกตายยานีกตายาวัตถุกตายะ แบบที่เราสวดอา น, นิสงค์ของเมตตาว่าเมตตาอ่ะ น, นะเมตตาอับเจโตวิมุตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยนะทําให้เป็นวัตถุทําให้เป็นญาณทําให้เป็นที่ตั้งเนี่ยนะย่อมเอกาสานิสังสาได้อา น, นิสงส์สิบเอ็ดประการหรือได้กำไรงามๆสิบเอ็ดประการเนี่ยนะเช่นหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นต้นเนี่ยนี่ฉันใดเนี่ยผู้ที่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยทําให้บ่อยขึ้นขนาดไหน ทำให้มากขึ้นขนาดไหนแล้วให้ใจเนี่ยเป็นไปกับกุศลธรรมเหล่านี้ขนาดไหนเนี่ยนะบ่อยไหมแล้วก็ที่บ่อยเนี่ยมันใกล้ต่อทีนะไหมเนี่ยนะหรือกุศลธรรมที่เจริญขึ้นมันใกล้ต่อกามฉันทะเพราะกุศลบางคนเนี่ยนะใกล้ต่อกามวิตกกุศลของบางคนเนี่ยใกล้ต่อพยาบาทวิตกกุศลของบางคนเนี่ยใกล้ต่อทีนะมิทะกุศลของบางคนเนี่ยใกล้ต่ออุทะจักุศลของบางคนใกล้ต่อ วิจิกิจชักบางคนใกล้ต่ออวิชชาบางคนเนี่ยใกล้จะเลิกเรียกว่าอารติเนี่ยน ะ, จะเจริญไปเรื่อยแต่เกือบเลิกไปแล้วเนี่ยเรียกว่ากุศลประเภทอารติก็ต้องมาดูว่าประเภทนั้นตกต่ำแล้วนะมันก็ต้องดูว่าทํำยังไงที่มันกุศลธรรมที่ไม่อิงไปในการมาฉันทะกุศลธรรมที่ไม่อิงไปกับพยาบาทกุศลธรรมที่ไม่อิงไปหาถีนมิทะเป็นกุศลที่ไม่อิงไปหาอุทธักกุกุจจะไม่อิงไปหาวิจิกิจชัไม่อิงไปตามอวิชชา แล้วแล้วก็เป็นกุศลธรรมที่ยินดีในกุศลธรรมที่เรียกวัตรเตเนี่ยนะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงนะที่ได้ยินบ่อยๆว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงก็คือความยินดีในกุศลธรรมนั่นแหละชนะความยินดีทั้งปวงเนี่ยนะทำยังไงให้ใจยินดีกับภาวนาเนี่ยนะให้ใจยินดีไปกับกุศลธรรมเหล่านี้ เพราะว่ากุศลธรรมที่เรียกว่าภาวนาตรงนี้เนี่ยเป็นการเจริญตามอริยวงเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านละกามฉันทะได้เนี่ยท่านดีใจเมื่อเจริญเนคธรรมะได้ท่านก็ดีใจนี่นะท่านละพยาบาทออกไปท่านก็ดีใจท่านเจริญความไม่พยาบาทได้เท่าใดท่านก็ดีใจท่านละทีนะมิถะได้เท่าใดท่านก็ดีใจท่านเจริญอาโลกสัญญาได้เท่าใดท่านก็ดีใจท่านละอุทะจะท่านก็ ดีใจเจริญความไม่ฟุ้งซ่านท่านก็ดีใจและวิจิกิจฉาได้เท่าใดท่านก็ดีใจกำหนดแยกแยะกุศลธรรมได้เท่าใดท่านก็ดีใจละอวิชชาได้ก็ดีใจเจริญขึ้นแห่งปัญญาทั้งหลายก็ดีใจถ้าหากว่าใครที่ยินดีในการละอกุศลยินดีในการเจริญกุศลนะ ท, ที่ใจของตัวเองเนี่ยนะน้อมว่ากำจัดอกุศลได้ไปเท่านั้นแล้วก็ดีใจกุศลเพิ่มพูนเท่านั้นขึ้น เท่าใดก็ดีใจขึ้นเรื่อยๆกันพวกนี้ก็เรียกว่าอริยะวงก็คือตระกูลของพระอริยะเนี่ยนะเป็นลูกหลานเผ่าพันุสายของพระอริยเจ้าเนี่ยนะก็ต้องก็ามาสอบถามเราว่าเราเนี่ยอยู่วงไหนบ้างนั่นนะวงเนี่ยแปลว่าวงตระกูลนะนะวงตระกูลตระ ก, กูลไหนอ่ะนะตระกูลพระอริยะก็ยินดีในการละอกุศลยินดีในการเจริญกุศลกุศลเจริญเท่าใดก็ดีใจขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าอยู่วงอื่นก็บอกว่าอกุศลโตเท่าไหร่ดีใจขึ้นเท่านั้น กุศลลดลงเท่าไหร่ก็ดีใจอันนั้นก็วงของอนารยะยชนเนี่ยนะเป็นวงของอนาระยะไม่ใช่วงของพระอริยะเป็นวงของปุตุชนเพราะว่าปุตุชนนั้นบอกว่าช่วงไหนการมาฉันท่าไม่ค่อยเกิดชีวิตมันช่างแ ห, งแหง้งแรงแท้ประมาณั้นชีวิตช่วงไหนที่อะไรนะคือคือปกติแล้วปุตุชนทั้งหลายมีความสุขกับบาปอากุศลธรรมทั้งหลายอย่างเช่นก็มีความสุขกับการมาฉันท่ามีความสุขกับความพยาบาทถ้าถามว่าเอแล้วคนมีความสุขกับความพยาบาทหรือ จริงจริแล้วคนนี่มีความสุขกับความพยาบาทไหมถ้าหากว่าไม่มีความสุขกับความพยาบาทนะกีฬามวยเป็นต้นมันขายไม่ได้หรอกเนี่ยนะก็เนื่องจากว่ามีความสุขกับความพยาบาทนั่นแหละจึงชอบดูมวยกีฬาตระกูลที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดที่สุดเนี่ยนะอันนั้นแหละก็คือแสดงว่าใจยินดีกับพยาบาทเนี่ยนะใจยินดีกับ โทสะนั้นจึงชอบดูไก่ที่มนันโอนจิกมันตีกันเนี่ยนะก็คือชอบดูที่ที่อะไรๆว่าชอบดูการทะเละาะเบาะแวงกันก็แสดงว่าใจนั้นยินดีกับพยาบาทถ้าใจยินดีกับการมฉันทาก็ยินดีกับความเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยนะแล้วก็ยินดีในถีนมิทาเนี่ยนะยินดีในถีนมิทะยินดีในอุทธจะกุกจุจจะยินดีในความฟุ้งซ่านเนี่ยนะยินดีในความฟุ้งซ่านยินดีในความคิดไปเรื่อย แล้วก็ยินดีที่จะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงมั้งแล้วคนชอบฟังด้วยนะพระธรรมไม่ดีจริงมั้งพระธรรมผิดพลาดอย่างนั้นแล้วเรื่องไม่ก็คนนั้นอะ่ะเลวมากเนี่ยนะสงสัยในพระสงค์พระสงค์องค์นั้นไม่ดีจริงมั้งโอ้ชอบมากหากุดคุยใหญ่เลยเนี่ยนะเพื่อจะได้ข้อมูลเลวๆแบบนั้นอะ่ะมันก็แสดงว่าใจยินดีกับความเลวร้ายเมื่อใจยินดีกับความเลวร้ายและประกาศตัวว่าฉันคือคนดีดีตรงไหนอ่ะนะก็ดีมีฝักเดียวอ่ะกัน ดีและมันยังไม่สั้นถ้าดีสั้นก็ลําบากพราะก็มันเมื่อใจยินดีกับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายใจมันก็ไม่เจริญในกุศลอยู่แล้วเนีน่ยนะเพราะว่าถ้าใจใดที่ยินดีในบาปอันนยินดีในอกุศลธรรมใจเหล่านั้นก็ไม่ใช่ภาวนาเนีน่ยนะใจใดที่ไม่ยินดีในบาปใจใดที่ยินดีในกุศลธรรมยินดีในความเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปใจเหล่านั้นก็เป็นใจที่ยินดีใน ภาวนาใจที่ยินดีในภาวนาเนี่ยนะฐานรองรับทั้งเนคขมมะความไม่พยาบาทอโลกสัญญาความไม่ฟุ้งซ่านการกําหนดธรรมและปัญญาปราโมทที่ที่เป็นไปกับกุศลธรรมเนี่ยเกียรติกันนิวรนทั้งหลายออกไปเมื่อเกียรติกันนิวรนทั้งหลายออกไปเท่าใดเนี่ยนะกุศลธรรมก็เจริญโงกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นจากปริตตะเป็นมหคตะจากอุปจาระเป็นอั ป, ปนา จากปริฏตะเป็นมหาคตะจากอุปจาระเป็นอัปปนาก็รวบรวมมหาคตธรรมขึ้นก็เป็นปฐมฌานเนี่ยนะที่ข่มนิวรณ์แล้วก็ตัดตัดนิวรณ์ออกไปขจัดนิวรณ์ออกไปแล้วก็แหวกนิวรณ์แหวกอกุศสลจิตออกไปให้ห่างไกลเนี่ยนะแหวกอากุโสลธรรมทั้งหลายออกไปให้ห่างไกลขึ้นทีนี้เมื่อกุโสลธรรมเนี่ยนะจเจริญเติบโตงอกงามขนาดนั้นแล้วก็ดูว่า กุศลธรรมเหล่าไหนที่อยู่ในในใจเนี่ยมันใกล้ต่อเหตุให้เสื่อมเนะก็ดูว่าไอตัววิตกนี่แหละถ้ายังมีวิตกอยู่นะถ้ายังตรึกอยู่ไอวิตกมันไม่ใช่ว่ามันตรึกแต่เรื่องบุญอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันก็ไปกามมวิตกเดี๋ยวมันก็ไปพยาบาทวิตกเดี๋ยวก็ไปวิหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นกุศลวิตกนี่ต้องละนะนะจึงจึงน้อมไปเพื่อเห็นโทษของกุศลวิตกก็เลยละกุศลวิตก นี่ขนาดที่ละกุศลวิตกได้เนี่ยจะต้องสร้างฐานแห่งกุศลให้มันยิ่งใหญ่จนถึงขนาดว่าไม่มีวิตตกก็อยู่ได้นะนะจะต้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะเรียกว่าตัดพนักงานจุ้นจ้านออกไปเนี่ยนะมันก็แล้วถามว่าจะต้องแข็งแรงขนาดไหนจึงจะตัดพวกจุ้นจ้านออกไปได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เขาก็คนดีนะอย่างกุศลวิตตกนี่ก็ดีนะขยันด้วยดีด้วยแต่ว่ามันชอบหาเรื่องนะนะมันชอบไปถ้าถ้าดูแลไม่ดีเดี๋ยวก็ไปหาเรื่องมาจนได้ ไปหาการมวิตตกไปหาพยาบาทวิตกเดี๋ยวก็ไปหาวิหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นออกไปเนี่ยนะเขาเรียก ว, ว่าตัดกุศลออกไปแล้วเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพแห่งวิตกวิจาร์เพิ่มประสิทธิภาพแห่งปีจิสุกเอกคตาเพิ่มประสิทธิภาพของศรัทธาวิริยะเพิ่มเพิ่มพละเพิ่มอินทรีย์เพิ่มกุศลธรรมให้มันแข็งแรงจนถึงกับตัดพนักงานคือวิตกออกไปบอกจุนจ้านนกะไม่งั้นเดี๋ยวบริษัทล่มจมว่างั้นไอ ต, ตัวนี้แหละที่จะทําให้เสริมความ เสียหายต่อไปในใจทีนี้เมื่อระดับสูงขึ้นไปอีกเนี่ยนะพอกุศลธรรมระดับหนึ่งเจริญขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นเลย ว, ว่าเออปีตินี่มันก็อันตรายไม่เบาเพราะปีติมันไม่ใช่มีเฉพาะปีติในกุศลเท่านั้นมันยังมีปีติกับอกุศลด้วยนะเช่นปีติที่เกิดจากความเรียกว่าความอิ่มใจอิ่มในบาปเป็นต้นเนี่ยเพราะปีติมันก็ใกล้ต่ออกุศลเหมือนกัน ปีติทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ยังใกล้ต่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นจะต้องละปีติออกไปเนี่ยนะจะต้องขจัดออกไปซะทั้งๆ ท, ที่ดีนะปีติเนี่ยความอิ่มในกุศลธรรมเนี่ยถือว่าเป็นความอิ่มที่ประณีตเป็นความอิ่มเช่นอภัสรพรมเนี่ยนะปริฏตาภาอัปมาเอะก็นะปริปริฏตาภาอัปมานาภาอภัสราเนี่ยนะเพราะว่าพรมเหล่านี้มีปีติร่วมด้วยว่ า, วาโออปีติเหล่านี้ก็ยังมันไม่ดีไม่น่าสนใจไม่น่าต้องการ เพราะาปีติอันนี้เนี่ยเพราะการรมทั้งหลายมันก็ยังมีปีติเป็นต้นก็มุ่งที่จะละปีติออกไปเนี่ยถ้าละปีติได้สําเร็จเนี่ยจะต้องมีกุศลธรรมรองรับตัวเองอีกขนาดไหนกุศลธรรมแต่ละตัวนี้จะมั่นคงและแข็งแรงขนาดไหนที่อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยปีติเฉะนั้นคนที่เกียดกันปีติอยู่แต่สุขอย่างเดียวโดยที่ปราศจากปีติได้พระอริยสัจเสริญมากว่าคนเนี้มีสติอยู่ด้วยสัมปชัญญะ มีสติสัมปชัญญะดีมากจึงกันปีติออกไปได้อยู่แบบมีความสุขโดยไม่ต้องมีปีติเนี่ยนะถือว่าเก่งมากเกียร์กันออกไปคิดว่าเกียร์กันปีติออกไปได้เสร็จแล้วถ้าบอกว่าระดับสูงก็ไป็นอีกแบบมันยังมีความสุขกามทั้งหลายมันก็ยังสุขอยู่นะเพราะฉะนั้นจะขจัดความสุขออกไปได้ยังไงก็เกียร์กันความสุขออกไปอีกนะถ้าเกียร์กันความสุขออกไปได้นั้นก็ก็สําเร็จจตุตทชานเนี่ยนะก็สําเร็จจตุตทชาน ก็คือแต่เป็นอัปปนาและกุศลธรรม ens. แต่ละตัวเนี่ยมหัคคตะที่ที่แข็งแรงมากมีพละมากมีกําลังมากอินทรีย์พละโพชงเนี่ยแต่ละตัวนี้แข็งแรงจริงจึงจะเรียกว่าตัดตัดอะไรนะเริ่มมันถูกตัดออกไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนแรกก็ตัดวิโต ว, วิจารณ์ตัดบีติตัดความสุขเหลืออเุเบกขาเดี๋ยนะเหลืออเุเบกขาที่นี้ เมื่อตัดออกไปแล้วเนี่ยนะกุศลธรรมมีแต่ความมั่นคงเสพเจริญทําให้มากอินทรีย์เนี่ยนะทุกคนเนี่ยแข็งแรงมีพะละมีกําลังมากยิ่งขึ้นแต่ก็เห็นโทษว่าถึงยังไงมันยังเกี่ยวข้องกับมหาพูดอยู่มันยังเกี่ยวข้องกับมหาพูดอยู่แม้แต่ฌานเหล่านี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับปัทวีอาโปเตโชวาโยยันเกี่ยวข้องกับกสินกระสินพื้นฐานก็มาจากมหาพูดมันก็ยังเกี่ยวข้องกับรูป มันยังเกี่ยวข้องกับมหาพูดขึ้นชื่อว่ามหาพูดขึ้นชื่อว่ารูปทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มีการแข่งแย่งชิงดีทํายังไงให้มันพ้นไปจากรูปรู้สึกเห็นโทษของรูปจริงๆเนี่ยนะเห็นโทษของรูปเห็นความน่ารังเกียจของรูปเห็นภาระแห่งการบริหารรูปเพราะว่าในภพที่มีรูปรูปทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะมากมายเช่นกามาสวะเป็นต้นนั้นก็นละถ้าจะออกไปจากรูปจริงๆก็ต้องตัดใจที่ ที่มีรูปเป็นอารมณ์จะต้องตัดใจที่มีรูปเป็นอารมณ์ไม่ต้องการใจที่รับรู้เรื่องรูปเกียรติกันใจที่มีรูปเป็นอารมณ์ออกไปเฉันเรียกว่าละรูปปัสสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่ใส่ใจในนานาตตาสัญญาฉันไม่ต้องการจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์โดยประการทั้งปวงละรูปปัสสัญญาบอกไม่สนใจในรูปประชานทั้งหมดยัยไม่ต้องการรูปประชานเห็นโทษของรูปประชานเพราะรูปประชานทั้งหลายก็ยังเกี่ยวข้องกับรูป ปฏิฆาสัญญาเห็นโทษกับแม้กระทั่งประสาทสัมผัสเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณโสตวิญญาณไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการรู้กลิ่นรู้รสไม่ต้องการรับกระทบโภธาภะเพราะฉะนั้นจะต้องกําจัดไอทวิปัญจ์ออกไปนะไม่ต้องการทวิปัญจ์ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการรู้กลิ่นไม่ต้องการรู้รสไม่ต้องการรับกระทบสัมผัสที่เรียกว่าปฏิฆาสัมผัสในทวารทั้งห้าขจัดออกไปและ ไม่ใส่ใจนานตัตตาสัญญาละนานตัตตาสัญญาบอกความนึกคิดในโลกเนี่ยตัดออกไปไม่ต้องการคิดเรื่องโลกนี้โดยประการทั้งแต่วงขจัดความคิดเกี่ยวกับเรื่องโลกออกไปให้หมดนั่นแหละจึงจะใส่ใจในอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เจริญอากาศสารัญญายยะตะนะสมาบัติได้เคิดว่ารูปก็ไม่เอาเจิตเยตสิกที่เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องมีรูปเป็นอารมณ์ก็ไม่เอาสร้างกุศลธรรมให้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีรูป ไม่ต้องมีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีกระสินมีอากาศที่เกิดจากการเพิ่มกระสินไม่ใช่อากาศสรูปนะแต่เป็นอากาศที่มาจากการเพิ่มกระสินอากาศอันนั้นไม่ใช่รูปนะเป็นบัญญัติกระสินุกคาติมาอากาศเป็นบัญญัติซึ่งไม่ใช่รูปมันก็ตัดแม้กระทั่งเรื่องรูปออกไปทั้งหมดตัดความรู้สึกนึกคิดที่พัวพันกับรูปออกไปทั้งหมดออกไปได้จึงจะเข้าอากาศสารัญใจ ย, ยตนะได้ นี่ในระดับสูงอีกถ้ายังใส่ใจในอากาศอยู่มันก็ยังใกล้ต่อรูปเพราะอากาศอันนั้นมันมาจากการเพิ่มรูปเพราะฉะนั้นทำไงดีจะต้องไม่ต้องใส่ใจในอากาศมากาหนดตัวจิตนั่นแหละกำหนดตัวอากาศนั่นแหละเป็นอารมณ์เพื่อที่จะละไ อ, ไ อ, ไอจิตที่มีอากาศเป็นอารมณ์มากำหนดเฉพาะจิตที่มีจิตเป็นอารมณ์เรียกว่าวิญญาณอันใจยตนะก็คือมีอากาศสารันใจยตนะเป็นอารมณ์ ก็กำหนดอยู่นั้นแหละก็ใส่ใจเจริญจนจิตเป็นฌานได้ก็เป็นการเจริญวิญญาณอันใจยศนะบอกไม่ต้องการไม่ต้องการระดับล่างแล้วนะทีนี้อ่ในเกียกรติกันหล่นะนัก็ออกไปอีกก็บอกว่าถ้ายังมีจิตเจตสิกเป็นอารมณ์มันก็ยังหยาบ อ, อยู่นะต้องบอกว่าเลิกคิดถึงจิตและเจตสิกมันต้องไม่มีอะไรเลยนัตถิกินจิหน่อยหนึ่งก็ไม่มีไม่ต้องการแม้แต่จิตเจตสิกไม่ต้องการกุศล อันนะั้น่ะกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในอากาสาัญใจยตนะไม่ต้องกานตัดออกไปนัตถิกินจิหน่อยหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอันนั้นแหละที่เรียกว่าอากินจัญญายตนะเพราะนั้นรับที่เดรัจฉีโดยมากเรียกว่านิพพานกันอันนะั้ไม่ใช่น้อยเลยที่คิดว่าเพราะมันไม่มีจิตเจตสิกเป็นอารมณ์แล้วอ่ะเพราะว่าถูกตัดออกไปไปมีแต่วันทานัตถิภาวะนัตถิภาวะภาวะที่ไม่มีอะไร บางพวกเข้าใจว่าจิตที่เป็นอากินนี่เป็นเป็นมรติภาวะเป็นนิพพานก็เข้าใจว่านัตถิภาวะนั้นเป็นนิพพานนิพพานไม่ใช่นัตถิภาวะภาวะหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีไม่ใช่นัตถิภาวะแต่สมัยใหม่เนี่ยเข้าใจนิพพานเป็นนัตถิภาวะซึ่งไม่ใช่นัตถิภาวะแต่ว่าสมัยอาราลดาบทสำคัญว่าเป็น อุตกาดาบทนะนะอุทกาดาบทรามาบทอาลาระดาบทการามโคตอาลาระดาบทใช่ไหมคนแรกอาราละดาบทเขาเข้าใจว่าอนัตถิภาวะนี่แหละเป็นนิพพานเนี่ยนะเพราะมัค ก, ก็คือจิตที่เข้าถึงอากินจัญ ญ, ญายตนะนั่นแหละเป็นมัคเพราะฉะอบางคนเนี่ยนะในโลกของความคิดของเขาเนี่ยบางทีบอกว่านิพพานไม่มีอะไรนัตถิกินจิตหน่อยหนึ่งก็ไม่มีว่างไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอันนั้นก็เข้าใจพลาด ยังไงก็คิดยังไงก็คิดไม่ถูกเสร็จแล้วก็เข้าใจว่าไอ้ไอ้อากินจันยายตนะนั่นแหละเป็นนิพพานบอกไม่ใช่อบางคนระดับสูงบอกว่ามันมีอย่างอื่นอีกก็มากําหนดจิตที่มีนัตถิภาวะเป็นอารมณ์จะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันประณีตเรียกว่าไม่มีสัญญาหยาบมีแต่สัญญาละเอียดเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ไม่มีชนิดหยาบมีแต่ชนิดละเอียด ที่เขาเรียกว่าประณีตเนี่ยนะเอตังสันตังเอตังปณีตังนั่นสงบเอตังสันตังเนี่ยนะเอตังปณีตังนั่นประณีตนั่นสงบนั่นประณีตดีเหลือเกินใครเข้าถึงนี่นี่แหละนิพพานเขานั่นก็ถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยรับที่นี้สอนว่านิพพานเป็นเช่นนี้แลถ้าเกิดมาสมัยนี้นะเอาประโลกตัวเองว่าเป็นท้าวทหารก็คนก็โอ้ยอยากเชื่ออยู่แล้วใน่นอนในโรงธรรมดาคนยังเชื่อเลยทีนี้ถ้าอย้อนกลับมาว่า พระโพธิสัตว์เนี่ยนะไปเรียนลัทธิทั้งหลายเหล่านี้กับพร ะ, พะกับอ า, าลาระดาบทุตกะดาบทพอฟังตั๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่อ า, าลาระดาบทุตกะดาบทแสดงออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นวิชาตรกรรมมันไม่ใช่วิชาที่ตรึกกันขึ้นมาแล้วมาพูดมาคุยกันเท่านั้นไม่ใช่มันเป็นวิชาที่ต้องเกิดจากการปฏิบัติแน่นอนเนี่ยนะลัทธิหลักการอันนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติ คือตอนแรกเนี่ยเขาก็อ阿拉ระดาบฏอุตกาดาบทขายลัทธิให้ฟังก่อนขายลัทธิขายแนวทางขายวิธีการวิธีการเจริญวิขายขายข้อปฏิบัติว่าถ้าถ้าเจริญได้ตามนี้มันดีอย่างนี้ยังนี้อย่างนี้ยัง น, งนี้เป็นตน้นพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ฟังแล้วก็เข้าใจเข้าใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการปฏิบัตินะไม่ใช่เกิดจากการเป็นลัทธิตรึกนักตรึกนักไข่ค ร, ครวนอะไรเป็นต้นนักฆาาคเนเป็นวิชาต ก, กะไม่ใช่แน่นอน แต่ว่ามันเกิดจากการเจริญขึ้นท่านก็เลยมาคิดว่าคือคนที่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้อินรียห้าเยี่ยมนะจะต้องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในี่ดีนะแต่ว่าไม่ได้เจริญเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธานะแต่ว่าเจริญเพื่อเข้าถึงกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา พระโพธิสัตว์ท่านคิดยังไงเว้ท่านบอกว่าไม่ใช่อราลาดาบทอุตกดาบทเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาที่ปฏิบัติตามนั้นฉันก็มีศรัทธานะไม่ใช่อาจารย์มีศรัทธาอย่างเดียวสิทธ์ก็มีศรัทธาเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่อราลาดาบทอุตกะดาบทเท่านั้นที่มีความเพียรในการปฏิบัติแบบนี้แม้เราก็มีความเพียรไม่ใช่อราลาดาบทอุตกะดาบทเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติ ไม่ใช่เขาเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิไม่ใช่เขาเท่านั้นที่มีปัญญาในการเจริญฉันก็มีปัญญาก็าคือมีความเชื่อมั่นแบบนี้ก่อนอนะมีความเชื่อมั่นก่อนว่าเราเองก็สามารถปฏิบัติได้แต่อย่างคนสมัยนี้บางคนก็บอกว่าเออเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าจะได้บรรลุ บ, บัคพลได้แต่ก็ศึกษาไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าต้อ ง, ต, องต้องมีศรัทธานะาเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นเจริญได้บรรลุได้ปฏิบัติได้ อันนนก็นางวิสาขาายุตเจ็ดขวบยังเจริญได้แต่ปัญหาว่าท่านบรรลุอะไรหรือไม่เดี๋ยวข อ, ขอศึกษาก่อนเหมือนกันเถอะชั้นใดก็ดีการศึกษาปฏิบัติธรรมก็ลักษณะดเดียวกันเนี่ยนะว่าเราต้องมีศรัทธาเชื่อมัน่นไม่ดูหมิ่นตัวเองไม่ดูถูกตัวเองเนี่ยนะไอคนที่ดู ด, ดูถูกตัวเองก็ว่าไงก็ก็เราว่ามันนะอ้างเหตุผลอธิบายได้ว่าฉันต้องเลวต่อไปก็แลนะ้วกันเหมือนกันเถอะไอกลุ่มนี้แหละเขาเรียกว่าดูถูกตัวเองเนี่ยนะ เพื่ออธิบายได้ว่าฉันแก้ไขไม่ได้พัฒนาไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญไม่ได้ขออนุรักษ์นิยมแบบนี้ตลอดไปเนี่ยนะมันเจ๊ที่ฉันเป็นอยู่ทุกวันก็ดีดีกว่าเก่าเยอะเป็นต้นก็พอละที่จะเป็นเช่นนี้แค่นี้เนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าดูถูกตัวเองบางทีก็ดูถูกพระธรรมนะดูถูกพระธรรมเนี่ยดูถูกพระธรรมว่ายังไงบอกยากเกินไปคําว่ายากเกินไปเนี่ยมันคําพูดดูถูกนะไม่ใช่คําพูดยกย่อง ไม่เรียนหลักวิชานั้นยากเกินไปกว่างั้ น, น, น, นคําพูดนั้นไม่ใช่คําพูดด้วยเกิดจากความเคารพพูดด้วยกุศลจิตแต่พูดด้วยความคิดที่ดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งดูหมิ่นตัวเองแล้วก็แบบคล้ายๆที่เขาพูดว่าอะไรนะองุนมันเปรี้ยวบอกตัวเองไม่มีปัญญาเื้อบอกมันโอ้ยองุนลูกนี้มันเปรี้ยวแน่นอนเพราะฉันไม่มีเงินเสื้ออ่ะมันก็ต้องเปรี้ยวอยู่แล้วล่ะมันไม่ดีหรอก นี่ก็ลักษณะเดียวกันบางคนบอกพระธรรมนี่ยากเกินไปเรื่องนั้นยากเกินไปปฏิสัมพิธามักยากเกินไปไม่เรียนดีกว่าเ อ, อแล้วก็ทำอะถา้ถามไม่ศึกษานะเชื่อไหมมันยากกว่าเก่าเยอะถามบอกว่าเรียนพระธรรมแล้วเนี่ยนะพระธรรมเนื้อหารายละเอียดที่ลึกซึ้งอะ่ะไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกมันไม่ยากใจหรอกเพียงแต่ว่าทําใจนะด้วยศรัทธาเป็นต้นก็ศึกษาได้แล้วแต่ถ้าไม่เรียนนี่มันลําบากใจ แล้วมันยากกว่าเก่าอีกมากมายเนี่ยทั้งคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะเขาเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยมันมันยากนิดหน่อยแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็สบายแต่ถ้าไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เนี่ยอันนี้ยากอีกนานแล้วมันก็ลำบากใจอีกนานถ้าศึกษาข้อปฏิบัติอย่างเช่นตามปฏิสัมพินธ์ที่พระสารีบุตรขยายตามพระพุทธพจน์ถ้าเราเรียนไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเธอเอาเธอแงนหน้าดูหน้าอาจารย์ไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่อีกอันนี้ก็ ก็เสียหายเพราะว่าเกิดจากความเข้าใจผิดอะ น, นะเข้าใจที่ผิดพลาดดังั้นการศึกษาพระธรรมที่เข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยไอายการที่รู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้กุศลอกุศลเนี่ยมันสําคัญที่สุดแล้วที่จริงเนี่ยปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดเนี่ยนะลึกพวกเนี่ยมันเป็นธรรมะที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจในเบื้องแรกเลยให้รู้ว่าผิดรู้ว่าถูกเพราะความรู้ผิดรู้ว่าอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิ อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะนี่เป็นบุญเป็นกุศลหนักหนาแล้วที่แยกเป็นเนี่ยนะแยกระหว่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉ า, าทิฏฐิออกได้เนี่ยเป็นบุญมหาศาลแยกสัมมาสังกัปปะกับมิจฉาสังกัปปะออกจากกันได้เรียกว่าแยกว่าขณะไหนเป็นความคิดที่ดีความคิดที่เลวร้ายคิดแบบไหนเป็นบุญคิดแบบไหนเป็นบาปแล้วคิดแบบไหนเสื่อมอย่างไรคิดแบบไหนและเจริญแค่ไหนอะไรอย่างไรแยกวิตก หรือแยกความตรึกแยกความคิดออกได้ก็เป็นบุญหมักนาแล้วแยกว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดแยกอย่างนี้ได้อะไรเป็นมิจฉาวาจาสัมมาวาจามันก็เป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลแล้วเนี่ยนะแยกว่าอะไรเป็นสัมมากรรมันตะมิจฉากรรมันตสัมมาอาชีวามิจฉาอาชีวะแยกอย่างนี้ได้เนี่ยนะถ้าแยกบาปออกไปได้เท่าไหร่จำเนกเป็นบุญได้เท่าไหร่เราก็เก็บเอาแต่สาระเนี่ยนะเรียกว่าแยกเพชรก็แยกกรวดออกได้แล้วก็เลือกเอาเก็บแต่อะไร เลือกเอาเก็บเอาแต่เพชรคงคงไม่เลือกเก็บเอากรวดใช่ไหมฉันใดก็ดีองค์มัชทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันท่านแยกสมัมมาวาจากับมิจฉาวาจาแล้วก็เลือกพูดเอาแต่สัมมาวาจาเพราะมีวิธีพูดให้เป็นสัมมาวาจาตั้งมากมายเราก็กล่าวว่าสัมมาวาจาเป็นการกระทําก็เป็นสัมมาตามันตะแล้วก็อาชีพที่ประกอบก็เป็นสัมมาอาชีวะแล้วความเพียรพยายามเนี่ยนะเราก็จะแยกเป็นว่าอู้อันนี้เป็นสัมมาวายามะนี้ไม่ใช่ สัมมาวายามะการแยกว่าอะไรเป็นสัมมาวายามะคิดว่าแยกว่าขยันโง่กับขยันถูกเนี่ยนะขยันแบบฉลาดขยันแบบโง่โงเนี่ยอันไหนเป็นอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนดีอันไหนชั่วดีกว่ากันดีกว่ากันยังไงเนี่ยแยกแยะอย่างนี้ได้มันก็เป็นบุญกุศลของเรามากมายแล้วว่าอันนี้เป็นความเพียรที่ถูกต้องอันนี้เป็นความเพียรที่ผิดพลาดอย่างนี้ควรเพียรอย่างนี้ไม่สมควรแก่เพียรนี้ควรทําอย่างนี้ไม่ควรทํำนะ และอันหนึ่งก็คือแยกว่าอะไรเป็นมิจฉาสติและเป็นสัมมาสติได้นี่ก็เป็นบุญของเราอย่างมากมายว่านี้เป็นสติปัฏฐานนั่นนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐานอย่างเงี้ยมันเจริญต่อไปได้อย่างไรอ่านะถ้าวินิจฉัยได้อย่างนี้นี้เป็นสัมมาสมาธินี้เป็นมิจฉาสมาธินี้เป็นสัมมาญาณนี้เป็นมิจฉาญาะแล้วนี้เป็นสัมมาวิมุตินี้เป็นมิจฉาวิมุติเ n ี่รู้ถูกนี้รู้ผิดนี้เข้าใจถูกนี้เข้าใจผิด นี้หลุดบรรลุถูกนี้บรรลุผิดถ้าบรรลุแบบนี้ถูกต้องบรรลุแบบนี้ผิดพลาดแยกอย่างนี้ได้นี่ยเป็นบุญเป็นกุศลนั่นเป็นมรรคข้อที่หนึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะชั้นใดแน่นแม้กระทั่งธรรมะที่ที่เราเรียนตอนนี้ก็เหมือนกันว่าแยกว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้วเนี่ยนะ